ขอความสุขความเจริญนะจุมีแก่สาธุชนทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นโอกาสอันเป็นมงคลมงคลในาศาสนาพุทธนะี่ไม่ใช่มงคลมั่วๆซั่วๆนะท่านกําหนดไม่ชัดเจนเลยว่าอะไรบ้างที่เป็นมงคลอย่างว่าเรามาเจอกันนี้มีมงคลหลายข้ออันแรกเลยได้เห็นสมณะได้นั่งใกล้ได้ฟังธรรม หรือมองคลสําคัญก็คือฟังธรรมแล้วต้องเอาไปปฏิบัติให้ได้เมื่อกี้หลวงพ่ออยู่ห้องข้างๆได้ยินนะมีท่านเขาเรียกอะไรอ่ะจะเรียกมัรณ า, ายกกะคงไม่ใช่หรโหศกนึกอะไรบอกว่าพวกเราต้องตั้งเป้าหมายนะเราต้องได้ธรรมะในชีวิตนี้เราอย่าไปวาดภาพว่ามรคนิพพานเนี่ยเป็นของที่ไกลเกินตัวมรคนิพพานไม่ไกลนะ มันใกลสําหรับคนซี่ไม่รู้จักวิธีมรรคนิพพานจริงๆอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานิพพานเนี่ยไม่เคยหายไปไหนเลยแต่มรรคนี่ต้องทําให้เกิดต้องพัฒนาใจจนวันหนึ่งเกิดส่วนนิพพานเนี่ยไม่ต้องเกิดนิพพานมันเกิดอยู่แล้วนิพพานมีนอยู่แล้วนิพพานไม่เคยหายไปไหนนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเมื่อไหรเราเห็นนิพพานครั้งแรกเราก็จะได้เป็นพระโสตาบัน อย่างตอนนี้เราอยู่กับ น, นิพพานนะแต่เราไม่เห็นเพราะอะไรเพราใจเราไม่มีคุณภาพพอนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นกิเลสตัณหาเรียกว่าวิราคะใจของคนทึ่งยังมีกิเลสตัณหาก็ไม่เห็นนิพพานนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นความปรุงแต่งเรียกว่าวิสังขารใจของคนที่ยังปรุงแต่งก็ไม่เห็นนิพพานพวกเราแต่งทั้งวันรู้สึกไหม ใจเราฟุ้งซ่านทั้งบันนะเนี่ยปรุงดีเดี๋ยวปรุงชั่วเนี๋ยวปรุงว่างๆขึ้นมาสารพัดจะปรุงนิพานนันพ้นจกากความปรุงแต่งไปและใจที่ปรุงแต่งก็จะไม่เห็นนิพานนิพานนั้นพ้นจากรูปจากนามจากกายจากใจไม่ยึดถือกายยึดถือใจเมื่อไหร่ก็จะเห็นนิพานถ้ายัางยึดถือกายยึดถือใจอ ย, อยู่ก็ไม่เห็นนิพาน งั้นถ้าเราค่อยๆพัฒนาใจของเราจนมันหมดกิเลสตัณหาหมดความดิ้นรนปรุงแตง่งหมดความยึดถือในรูปในนามในกายในใจถึงไม่อยากจะเห็นนิพพานก็จะเห็นเพราะนิพพานเนี่ยอยากเห็นก็ไม่เห็นหรอกแต่หมดกิเลสเมื่อไหร่หมดความปรุงแต่งเมื่อไหร่หมดความยึดถือในกายในใจเมื่อไหร่มันเห็นของมันเองอ่ะรู้สึกว่าทางนี้จะตั้งหัวข้อให้หลวงพ่อเทศก่อไก่ถึงหอนกู๊ รู้สึกว่าหลวขพ่อจะเริ่มจากห่อโนคู่หมหากอไก่แล้วนะเอาหอ่อโนคู่ก่อนก็นแล้วกันนะคือเราเป็นคนรุ่นใหม่เราจะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรจะทำอย่างไรเราต้องรู้ชัดงั้นเราจะไปสู่นิพพานอย่างน้อยชาตินี้เป็นพระโสดาบันให้ได้นะพระโสดาบันเนี่ยถ้าเป็นพระโสดาบันแล้ววันหนึ่งข้างหน้าอย่างไงก็ต้องเป็นพระอราหันต์พระโสดาบันไม่ยากเกินไป เราต้องมาดูคุณสมบัติของพระโสดาบันก่อนนะพระโสดาบันเนี่ยคือท่านผู้เห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีเรียกว่าละสักยะติทิฏฐิได้ท่านเห็นว่าตัวเราไม่มีในกายนี้ในใจนี้ไม่มีตัวเรากายนี้ใจนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวเรานอกเหนือจากกายจากใจนี้อีกสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวเราอยู่ตลอดเวลาก็คือกายนี้ใจนี้เท่านั้นแหละรูปนามนะขันหอายตนะหกาสิแแล้วแต่จะเรียกนะ รวมความง่ายๆคือรูปกับ น, นามคือกายกับใจนี่เราเห็นว่ามันเป็นตัวเราถ้าเมื่อไหร่เราสามารถทัฒนาจิตใจจนเราเห็นความจริงะว่าตัวเราไม่มีหรอกกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราไม่มีเราในกายในใจนี้ไม่มีเรานอกเหนือกายนอกเหนือใจนี้เราก็จะได้เป็นพระสุตปัตถเป็นผู้เที่ยงต่อการตรัสรู้ในวันข้างหน้าวันหนึ่งต้องเป็นพ ร, าารนะอรหันต์เหมือนคนตกลงในกระแสน้ําแล้วน้ําพัดพาไปนะ วันหนึ่งไปถึงทะเลทำยังไงเราถึงจะสามารถเห็นได้ว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานะพระพุทธเจ้าท่านเคยสอนบอกว่าคนในศาสนาอื่นเนี่ยเขาสามารถเห็นได้ว่ากายไม่ใช่เรามีแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะถึงจะพัฒนาจิตใจเราจนเราเห็นความจริงว่าจิตก็ไม่ใช่เราไม่มีเราอย่างคนที่เรียนกับหลวงพ่อนะสักเดือนสองเดือนเนี่ย สามารถเห็นได้ลนะว่ากายไม่ใช่เรานะแต่ส่วนมากก็ยังเห็นว่าจิตเป็นเราอยู่ถ้าวัาในใดเห็นว่าจิตก็ไม่ใช่เราไม่มีเราในกายไม่มีเราในจิตนะก็ได้ธรรมะปลอดภัยเป็นปลอดภัยไม่แปรปัญลนะชีวิตมีความสุขมีความสงบมีความมั่นคงนะกิเลสหายไปหลายสิบเปอร์เซ็นนี้ทำยังไงเราจะสามารถเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เรานะเรามาดูของจริง การดูของจริงของกายของใจเรียกว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยต้องเห็นความจริงของกายของใจนะไม่ใช่เห็นกายเห็นใจนะเพราะเราอย่าตื้นบางคนตื้นเกินไปคิดว่าแค่รู้กายแค่รู้ใจก็คือการทำวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานต้องเห็นความจริงของกายของใจความจริงของกายของใจคือไตรลักษ อนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังก็คือสิ่งซึ่งมันเคยมีแล้วมันไม่มีสิ่งซึ่งเคยไม่มีมันกลับมีขึ้นมานี่เรียกว่าอนิจจังทุกขังคือมันทนอยู่ไม่ได้นะมันถูกสภาวะที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยของมันเนี้ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนไปเพราเหตุของมันเปลี่ยนนะตัวมันทนอยู่ไม่ได้มันถูกบีบขันทนอยู่ไม่ได้ในภาวะอันใดอันหนึ่งเรียกว่าทุกขังอนัตตาก็คือ มันจะเกิดขึ้นมันจะตั้งอยู่หรือมันจะดับไปเนี่ยเป็นไปเพราะเหตุไม่ใช่เพราะเราสั่งเราบังคับไม่ได้อยู่นอกเหนือการบังคับ่เรียกว่าอนัตตาถ้าสามารถเห็นได้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นเพียงมุมใดมุมหนึ่งไม่ต้องเห็นทั้งสามอย่างเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งนะจิตก็สามารถปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้ในที่สุดนะแต่ในเบื้องต้นก็จะเห็นก่อนว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เรา ถึงจะเห็นว่าไม่ใช่เราแต่ก็ยังไม่ปล่อยวางนะพระโสดาบันเนี่ยท่านเห็นความจริงแล้วว่าตัวเราไม่มีกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เรากายนี้เป็นวัตถุธาตุที่ยืมโลกมาใช้จิตใจก็เป็นธาตุเรียกว่าธาตุรู้ธาตุรู้นี้เกิดดับเกิดดับสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆก็ไม่ใช่ตัวเราแต่ท่านยังยึดถืออยู่นะยังเห็นว่ากายนี้ใจนี้ยังนําความดีงามมาให้ได้นะยังรักมันอยู่ยังนําความสุขมาให้ได้ ต้องเจริญสติต่อพิเอกนะรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจเรื่อยไปถึงวันหนึ่งถึงจะเห็นความจริงว่ากายในี้ใจนี้มีแต่ทูกล้นล้นทุกขเพราะไม่เที่ยงทุกเพราะทนอยู่ไม่ได้ถูกบีบคัน้นทูกเพราะว่าไม่ใช่ตัวเราบังคับมันไม่ได้นะอยู่นอกเหนืออำนาจ บ, บังคับถ้าเห็นอย่างนี้นะก็จะปล่อยวางปล่อยวางเป็นพระอรหันต์พระโสดาบันเนี่ยไม่ได้ยากเท่าไหร่แค่รู้ว่ากายในี้ใจนี้ไม่ใช่เราไม่มีเราในใกายในใจแต่ยังยึดถืออยู่ ทำไมไม่เห็นว่าเป็นเราแล้วยังยึดถือได้คล้ายๆคนที่ยืมของคนอื่นก็ามาใช้นะสมมุติหลวงพ่อไปยืมรถจนของคุณอนุรุตมาใช้สักคันหนึ่งว่ารถคันนี้มันโก๋จางนะเรามีแต่รถกระบะนี่เขารถเขาสวยนะยืมมาใช้นานจนหลงไปว่าเป็นรถของเราเองนะยืมเขามานานจนเราคิดว่าเป็นของเราเองเหมือนกล้นี้ใจนี้ใกล้นี้ใจนี้เรายืมของโลกมาใช้ ยืมมานานจนสาคัญผิดว่าเป็นของเราเองนะวันหนึ่งเป็นพระโสดาบาันรู้แล้วว่าใยนี้ใจนี้เป็นของโลกนะไม่ใช่ของเราไม่มีเราหรอกก็จะคล้ายๆคนขี้งกอ่ะรู้แล้วว่ารถคันนี้ไม่ใช่ของเรานะแต่มันดีนะเอาไว้ก่อนเพราะฉนั้นพระโสดาบันนี้ยังมีอารมณ์ขี้งกอยู่ยังไม่ปล่อยวางกายวางใจจริงนะต้องมาเรียนรู้กายรู้ใจให้หนักเข้าอีกดูไปเรื่อยวันหนึ่งเกิดตัญญาขึ้นมาแล้วก็ เห็นมันแต่ทุกขล้วนๆเลยไม่ใช่ของดีของวิเศษอีกต่อไปมันก็ยอมคืนเจ้าของคืนให้โลกไปนี่ห่อหนูฮูกนะมีหลังก็ห่อหนูฮูกอีกอฟเตอร์ห่อหนูฮูกนะคือภาวะซึ่งมันสิ้นทุกข์ไปแล้ว่นะจิตใจซึ่งมันสิ้นทุกข์ไปแล้วนะมันจะบอกว่ามีความสุขมันก็ไม่เหมือนนะมันไม่รู้จะเทียบกับอะไรมันสุขเพราะไม่มีอะไรเสียดแทงเป็นสุขเพราะเป็นอิสระนะ จิตใจนะปลอดโปร่งโล่งเบาอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นนั่นมันมีแต่ความสุขอย่างนั้นแหะสุขเพราะพ้นความปลุกแต่ง ส, สุขเพราะพ้นกิเลสสุขเพราะไม่มีภาระที่จะต้องไปยึดถืออะไรใจมันโล่งอย่างถ้าเรายึดอะไรสักอย่างนะมันก็มีภาระยกตัวอย่างนะนี่มีตัวนี้มีผ้าอยู่ชิ้นหนึ่ง เ, เอาอะไรดีอะที่จะไม่แตกง่ายเอาที้ก็แล้วกาษระหว่างแก้วน้ํากับผ้าเนี่ยอันไหนหนักกว่ากัน แก้วน้ำใช่ไหมถ้าหลวงพ่อวางแก้วน้ําลงเนี่ยระหว่างแก้วน้ํากับผ้าอันไหนจนักกว่ากันใช่ไหมแก้วน้ํามันหนักของมันไม่เกี่ยวกับเราใช่ไหมถ้าเราไปยึดผ้าไปเราก็หนักเพราะผ้าขันนี้เหมือนกันนะขันนี้เป็นของหนักขันนี้เป็นภาระโดยตัวของมันเองมันแก้วน้ําเนี่ยมันหนักโดยตัวของมันเองอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่ไปหยิบเวยขึ้นมามันไม่หนักใจของพระอรหันต์ใจที่ภาวนามาเต็มเปี่ยมแล้วนะมันไม่ยึดถืออะไรเพราะฉะั้นมันไม่หนักเพราะอะไรอีกแล้ว นะหมดภาระที่จะต้องแบดหามนั้นจะไปวาดภาพพระละหันเหมือนคนทพิกลพิการนะต้องซึมเคื่องเซื่องซึมซึมทำอะไรก็ไม่ได้นะกระดุกกระดิกมากเขาบอกมีปัญหาอะไรเงี้ยมากไปนั่นเปนคนพิการนะดูพระละหันสมัยพุทธกาลนะบางองค์เจอท้องร่องกระโดดเลยอนะย่งางพระสารีบุญไม่มาย่อ ง, ย, องย่องเลยนะกระโดดเลยงั้นพวกเรานะภาคเพียร น, น ะ, จะเจริญวิปัสนา ได้เป็นพระโสดาก็มีความสุขมากมายเป็นพระอราหันต์มีความสุขที่สุดเลยเป็นความสุขเพราะว่าพ้นกิเลสพ้นความปรุงแต่งพ้นความเสียดแทงพ้นภาระนะมีความสุขเป็นอิสรภาพทีนี้มาถึงวิธีการนะนี่วิธีการ เ, าเริ่มกอกไก่นะ ห, อหน่อโนคุไปแล้วเอามาเริ่มที่กอกไก่ทำยังไงเราจะสามารถเห็นความจริงของกายของใ จ, งใจว่าไม่ใช่ตัวเรา ในความเป็นจริงแล้วกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรเพราะฉะนั้นการภาวนาการทำมิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไม่ใช่การโปรโกแกรมจิตให้เชื่อว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เรานะีไม่ใช่สะกดจิตไม่ใช่โปรโกแกรมจิตความจริงไม่ใช่เรามาตั้งแต่แรกแล้วแต่งโงไ่ไปคิดว่าเป็นเราเองนี่แหละความโง่คือความไม่รู้หรืออวิชานี่เองนะถ้าวันใดหมดความโง่หรือหมดอวิชชา รู้ความจริงเรมีวิชานะไม่เห็นแล้วว่ามีเรานะถ้ามีวิชาแจ่มแจ้งจริงๆก็รู้เลยสิ่งที่นึกว่าเป็นเรานั้นคือขันหานั้นเป็นแต่ตัวทุกข์ล้วนๆเนี่ยถ้าเห็นขันห้าเป็นทุกข์ล้วนๆนะเนี่ยเรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งก็ละสมุทยัยคือหมดความอยากที่จะให้กายจะให้ใจเป็นสุขหมดความอยากจะให้กายให้ใจพ้นทุกข์ เขารู้ว่าม like ันพ้นทุกไปไม่ได้เขารู้ว่ามันสุขไปไม่ได้มันเป็นตัวทุก์มันจะพ้นทุกได้อย่างไรมันเป็นตัวทุกมันจะพ้นจากทุกได้อย่างไงเหมือนไฟเป็นของร้อนไฟเป็นของร้อนนะทํำยังไงมันก็ร้อนขันนั้นเป็นตัวทุกขทํำยังไงก็เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ทําขันให้เป็นตัวสุขขึ้นมาแต่ใจที่ฉลาดใจที่รู้ความจริงแล้วมันไม่ยึดถือขันเหมือนอย่างแก้วน้ําเป็นของหนักถ้าใจไม่ยึดมันก็ไม่ทุก นั้นไม่ใช่ว่าเราจะมาโปรแกรมจิตให้เชื่อนะว่าขันเป็นทุกข์ความจริงนั้นมันเป็นทุกข์อยู่แล้วเราจะมาดูความจริงให้ได้อะไรที่ปิดบังความจริงไว้การที่เราจะรู้กายรู้ใจของตัวเองให้ได้นั้นขั้นแรกเลยต้องรู้กายรู้ใจอะไรทําให้เราลืมกายลืมใจทั้งวันเราขาดสติรู้สึกไหมเราไปหลงคิดทั้งวัน ตื่นนอนขึ้นมาเราก็คิดเรื่องน้อนคิดเรื่องนี้ไปเรื่อยๆขณะที่เราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเรียกว่าเราหลงอยู่กับสมมุติบัญญัติสมมุติบัญญัตินั้นปิดบังปรมัตดคือบิดบังความจริงปิดบังตัวรูปตัวนามขณะใ ด, ดใจลอยขณะนั้นมีร่างกายก็เหมือนไม่มีขณะใ ด, ดใจลอยนะขณะนั้นมีจิตใจอยู่ก็ลืมมันไปมัวแต่สนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นสนใจสิ่งภายนอกลืมที่จะรู้สึกกายลืมที่จะรู้สึกใจ การที่ลืมรู้สึกกายรู้สึกใจนี่แหละเรียกว่าขาดสติงั้นเครื่องมือตัวแรกนะในการทํามิปัสสนานี่เรียกว่าสติสตินั้นสําคัญมากจิตที่เป็นกูศุลทั้งหลายจะต้องประกอบด้วยสติเสมอและสติมีหลายระดับสติทั่วๆไปอย่างอยากฟังธรรมะจิตเป็นกูศลนะอยากฟังธรรมะนี่จิตเป็นกูศลจิตดวงนี้มีสติแต่สติอันนี้ไม่ใช่สติปัฏฐานไม่ใช่สติที่จะทําให้เราพ้นโลกได้ มันเป็นแค่สติธรรมดาอยากทําบุญอยากใส่บาตรอยากทําสังคมสงเคราะห์นะอยากจัดให้คนมาฟังเทศเยอนะๆอะไรเงี้มีสตินะแต่ถ้าเป็นสติอย่างโลกจะเกื้อกูลให้เราอยู่ในโลกอย่างมีความสุขเท่านั้นเองแต่สติข้ามโลกเนี่ยต้องสติเรียนรู้กายสติเรียนรู้ใจสติรู้กายสติรู้ใจเรียกว่าสติปัฏฐานนะถ้าเมื่อไร่ลืมกายเมื่อไร่ลืมใจก็เรียกว่าขาดสติองค์เล็บปัฏฐาน มีสติธรรมดาได้แต่ว่าขาดสติปัฏฐานถ้าไม่ได้ทําสติปัฏฐานเนี่ยไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้นะเพราะทางสายเอกทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นเนี่ยคือการเจริญสติปัฏฐานมีสติรู้กายมีสติรู้ใจบ่อยๆนะนี่ตัวที่หนึ่งนะเราต้องมีสตินะตัวที่สองเราต้องมีสัมมาสมาธิคือมีใจที่ตั้งมั่นสัมมาสมาธินี่เป็นตัวที่อาภัพมากคนไม่ค่อยรู้จัก เพราะเราไม่รู้จักสัมมาสมาธินี่เองเราภาวนากันแทบล้มแทบตายเราจึงไม่บรรลุมรรคผลจริงๆนะอย่างบางคนภาวนาไปนะเกิดอาการบูบูบ้าบ้าลืมเนื้อลืมตัวอะไรก็บอกบรรลุมรรคผลแล้วไม่ใช่นะไม่ใช่มรรคผลอย่างนั้นกลับมาไม่นานกิเลสก็กลับมาอีกนะมรรคผลถ้าเกิดจริงๆแล้วนะล้างกิเลสไปแล้วจะไม่กลับมาอีกเลยขาดศูนย์ไปเลยงั้นถ้าเราภาวนาบูบูบ้าบ้าไปแล้วเราบอกว่าบรรลุแล้วบรรลุแล้วไม่ใช่ของจริงนะ ของจริงมันต้องล้างกิเลสได้จริงทำไมพวกเรามีสตินะเราจะหายใจออกเราก็รู้สึกหายใจเข้าเราก็รู้สึกท้องผองก็รู้ท้องยุบก็รู้เดินจงกรมยกเท้าย่างเท้านะรู้หมดเลยแต่ทำไมไม่ขาดอะไรทำให้ไม่เกิดมรรคผลที่แท้จริงกล้เป็นเกิดสมถะนะอย่างเรารู้ลมหายใจนะจิตสงบจิตสว่างจิตสบายขึ้นมานะหรือสว่างจ้าขึ้นมาอยากรู้อยากเห็นอะไรนะ ส่งจิตไปดูรู้เห็นทั่วโลกกระทาดนี่ออกไปรู้ข้างนอกไม่กลับมารู้กายรู้ใจตัวเองใช้ไม่ได้จริงหรือเดินจงกรมอยู่แล้วตัวลอยตัวเบาบางคนลอยจริงๆนะลอยจริงๆ ร, งรงลอยจากพื้นเลยนะบางคนตัวเบาๆบางคนตัวพองๆขนลุกผลชันสิ่งเหล่านี้เป็นปีตินะปิติเนี่ยมันมีเกิดจากสมาธนะิเกิดจากการที่เราไปเพ่งเอาลมันเดียวอย่างต่อเนื่องอย่างเรารู้ลมหายใจจิตเราแนบอยู่กับลม รู้ท้องของยบจิตเราไปแนบอยู่ที่ท้องไปเดินจงกรมจิตไปแนบอยู่ที่เท้าบางคนเลยเท้าออกไปอีกบางคนจิตไปอยู่ที่พื้นเดินจงกรมแล้วรู้ว่าพื้นเย็นพื้นร้อนพื้นอ่อนพื้นแข็งอันนี้ลืมเป้าหมายลืมมัตถุประสงค์ของการปฏิบัติแล้วเราปฏิบัติเพื่อละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นเรากลับไปเรียนเรื่องพื้นไหมพื้นไม่เป็นเราอยู่แล้วมีใครรู้สึกพื้นเป็นตัวเรามีไม้มก็ไม่มีหรอกนะนอกจากเพี้ยนจริงๆอะ ันอยากให้เกินกายเกินใจออกไปนะคอยรู้สึกกายรู้สึกใจรู้สึกยังไงรู้สึกตามความเป็นจริงนะหลักของวิปัสสนากรรมฐานไม่ยากหรอกให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเท่านี้เองนะให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะมีสติตัวนี้บอกแล้วต้องเป็นสติที่รู้กายรู้ใจสติแปลว่าอะไรสติแปลว่าความระลึกได้นะพวกเราอย่าแปลสติว่ากาหนดนะ กำหนดมันมาจากภาษาเขมรแปลงมาจากคำว่ากดเอาไว้กดเอาไว้ข่มเอาไว้บังคับเอาไว้ควบคุมเอาไว้นะหน้าที่ของเราคือระลึกรู้นะทำยังไงสติถึงจะเกิดนะสติเกิดเพราะธิระสัญญาทีละสัญญาคือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นถ้าจิตจำสภาวะได้แม่นพอสภาวะที่จิตจำได้แล้วเกิดขึ้นนะสติคือความระลึกได้ก็จะระลึกขึ้นมาเองโดยไม่ได้เจตนาระลึก นี่เราต้องพัฒนาตัวที่หนึ่งนะมีสตินะเพื่อว่าเราจะได้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเนี่ยอันนี้คือวิปัสสนาความเป็นจริงของกายของใจคือไตรลักษณนะ์นั้นมีสติค่อยๆฝึกหัดรู้สภาวะไปทำกรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้แล้วแต่จริตนิสัยนะอย่างทางยุวพุธชอบดูผ่องยุบใช้ผ่องยุบนี่แหละมาพัฒนาให้เกิดสติ ทำได้ไหมทำได้แต่ถ้ามัวแต่เอาจิตไปเพ่งอยู่ที่ท้องท้องฟองท้องยุบจะได้สมถะนะได้จิตสงบเฉยๆไม่มีสติที่แท้จริงที่จะมาระรึกรู้มันกลายเป็นการเพ่งเมื่อไหร่เพ่งตัวอารมณ์นะภาษาแขกเรียกว่าอารมมณูปนิชฌานอารมมณูอา ร, ม, อารมมะก็คืออารมณ์นั่นเองถ้าไปเพ่งตัวอารมณ์เมื่อไร่ไมื่นั้นทําสมถะ นะถ้าเป็นลักขณูปนิชฌานนะไปรู้ลักษณะเพ่งลักษณะนะถึงจะเป็นมิปัสสนานะรู้ไตร ล, ลักษนณะ์ถึงเป็นมิปัสสนานั่นเราก็มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไม่ใช่เพ่งกายเพ่งใจงั้นเวลาเบื้องต้นทํากรรมฐานสนักอันหนึ่งใครเคยพุโทโธก็หัดพุดโทโธไปใครเคยรู้ลมหายใจก็รู้ไปนะใครเคยดูท้องฟองยุบก็ดูไปไม่ผิดนะ เหมือนกันหมดเลยใช้ได้เหมือนกันหมดเพราะงั้นชาวพุทธเราอย่างโง่ทะเลาะกันเองนะอย่ามาเถียงกันว่าพุโทโธดีหรือว่าหายใจดีหรือว่าพองยุบดีมันดีด้วยกันนั่นแหละนะจริตนิสัยคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเราจะมาบังคับทุกคนให้ทำกรรมฐานอย่างเดียวกันนะมันไม่ได้ผลหรอกกรรมฐานนะั้นต้องทำให้พอเหมาะพอควรกับแต่ละคนทางใครทางมันนะนี่หลวงพ่อเรียนจากหลวงปู่ดุงลหลวงปู่ดุลสอนหลวงพ่อท่านก็สอนอย่างหนึ่ง นะสอนครูบาอาจารย์อื่นให้ก็สอนอีกอย่างหนึง่งแต่ละคนไม่เหมือนกันสอนคารวะแต่ละคนแต่ละคนก็สอนไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะท่านสอนให้ตรงกับจริตนิสัยของแต่ละคนอย่างหลวงพ่อ ท, าทําสมถะมาตั้งแต่เด็กมันจะมีตัวผู้รู้อยู่นะบางท่านไม่มีตัวผู้รู้ไม่ได้เคยฝึกสมถะนะแต่ละคนก็ฝึกไม่เหมือนกันแต่ท่านจะสอนต่อยอดให้อย่างหลวงพ่อเคยทำสายสมถะนะหายใจเข้าพูดออกโธอันนี้สมถะ จนจิตสงบนะจิตสงบแล้วเราไม่รู้จะทําอะไรต่อหลวงูุ ด, ดูลสอนหลวงพ่อบอกว่าให้พุโทโธไปนะจนจิตมันวูบรวมลงไปแล้วมีสติตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเลยเนี่ยบางคนไม่ต้องทําให้จิตรวมก่อนตามรู้ไปเลยแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกนั่นพวกเราอย่าไปปรามาสซึ่งกันและกันนะว่าสำนักไหนดีกว่าสำนักไหนอย่างทุกวันนี้การดูจิตบูมจะมาบอกว่าดูจิตนี่ดีกว่าดูกายนี่โง่ละมันเหมาะกับแต่ละคนแต่ละคนต่างหากละ่ะ ถ้ากรรมฐานชนิดเดียวชนิดใดชนิดหนึ่งนะสามารถใช้ได้กับทุกคนพระพุทธเจ้าต้องสอนไว้แล้วละ่ะนี่ท่านไม่ได้สอนเลยท่านสอนกรรมฐานเอาไว้เยอะแยะไปหมดเลยเพราะจริตนี้สายคนไม่เหมือนกันนราะเราต้องใจกว้างนะยอมรับเรียนรู้ความแตกต่างความแตกต่างในการปฏิบัติของแต่ละคนเนะียอย่าให้นําไปสู่ความแตกแยกอันนั้นโง่ที่สุดเลยชาวพุทธมีหน้าที่นั้นต้องผนึกกําลังกันต่อสู้อะไรต่อสู้กับกิเลสนะ กิเลสตัณหาคลองใจของเราอยู่ตลอดเวลาแล้วมันคลองโลกด้วยนั้นเราต้องรู้นะว่าเรามีเป้าหมายอันเดียวกันนะคือพ้นทุกข์ของตัวเองและช่วยคนอื่นด้วยพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าให้ทําประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทถ้าจะทําประโยชน์คนอื่นอย่างเดียวไม่ทําของตัวเองก็เรียกว่าประมาทนะทําของตัวเองอย่างเดียวไม่สนใจคนอื่นก็ใจแคบไปหน่อยนะงั้นเราก็ทําหน้าที่ของเรา เบื้องต้นพวกเราทํากรรมฐานที่เราคุ้นเคยใครเคยพุโทโธก็พุโทโธใครเคยหายใจก็หายใจใครเคยดูท้องพองยุบก็ดูไปใครเคยขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็ขยับไปใครเคยรู้อิทิยาบทสี่ก็รู้ไปยืนเดินนั่งนอนใครเคยดูเวทนาอย่างสายโกเก้าท่านโกเอก้าสอนทําสมาธิแล้วมาดูเวทนาก็ดูเวทนาได้ใครเคยดูจิตบางคนปฏิบัติด้วยการดูจิตเข้าไปตรงๆ ต, ตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิต ก็ใช้ได้เหมือนกันก็เห็นว่าเดี๋ยวจิตก็โลภเดี๋ยวจิตก็โกรธเดี๋ยวจิตก็หลงเดี๋ยวจิตฟุ้งซ่านเดี๋ยวจิตหดหูดนะดั้วเราเบื้องต้นเนี่ยทำกรรมฐานสักอันหนึ่งนะยกตัวอย่างเลยสมม่าเราดูท้องผ่องยุบวิธีดูท้องผ่องยุบที่ถูกเนี่ยไม่ใช่เพ่งท้องไม่ได้กําหนดไปเรื่อยๆนะว่าพองอย่างนั้นยุบอย่างนี้อันนั้นเป็นสมถกรรมฐานถ้าเมื่อไหร่ยังเจือด้วยการคิดเมื่อนั้นะไม่ขึ้นมีปัจสนานะ วิปัสสนาจริงๆต้องเลยขั้นการคิดไปการคิดเนี่ยให้ปัญญาเราได้แค่สมมาสนญาณสมาสนญาณ ย, ยังไม่ขึ้นอุทยพยายาิยญาณอุทยพิยญาณเนี่ยคือการเห็นความเกิดดับของรูปของนามถึงจะเป็นวิปัสสนาต้องเห็นสภาวะที่เกิดดับไม่ใช่คิดเอาว่ามันเกิดดับนะงั้นเราอย่างเราเห็นรูปมันพองนะสมมนตัเห็นรูปมันพองเราเห็นรูปมันยุบ นะถอนความรู้สึกว่ามันเป็นท้องของเราของท้องของเรายุบนะรู้สึกลงไปเลยรูปมันแค่พองรูปมันแค่ยุบนะดูมันไปอย่างนี้ใจเป็นคนดูต้องมีใจเป็นคนดูรูปนะการปฏิบัติเนี่ยการจะเจริญวิปัสสนาการจะเจริญปัญญาเนี่ยเบื้องต้นที่สุดเลยคือนามรูปปริเฉทญาณเคยได้ยินใช่ไหมถ้าเรียนยุวพุทน่าจะเคยได้ยินนามรูปปริเฉทญาณ ทำรูปปริชฌาทายาณไม่ใช่แค่ troops, เรียนว่ารูปพองก็อันหนึ่งรูปยุบก็อันหนึ่งรูปยกก็อันหนึ่งรูปย่างก็อันหนึ่งไอ้นั่นมันแยกรูปกับรูปไม่ใช่แยกรูปกับนามนะนั่นเราต้องหัดแยกรูปกับนามให้ได้ก่อนเห็นร่างกายมันพองเห็นร่างกายมันยุบใครเป็นคนเห็นจิตเป็นคนเห็นนะงัแ้นบบเราค่อยๆฝึกไปนะคนไหนรู้ลมหายใจก็รู้ลมๆๆหายใจไปเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าใครเป็นคนเห็นจิต <Los> เป็นคนเห็นนะ บางคนดูจิตนะจิตมันโลภจิตมันโกรธจิตมันหลงใครเป็นคนเห็นะจิตมันเป็นคนเห็นว่ามันมีโลภมีโกรธมีหลงขึ้นมาเนี่ยเราค่อยๆฝึกนะฝึกค่อยๆแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราตัวเราก็คือไอ้ก้อนเนี้ยค่อยๆแยกออกมาแยกเบื้องต้นเลยก็แยกเป็นสองอนรูปและนามเห็นรูปที่พองรูปที่ยุบอยู่รูปที่หายใจอยู่รูปที่เดินยืนเดินนั่งนอนอยู่เนี่ยรูปที่หยุดนิ่งรูปที่เคลื่อนไหวะเป็นศักแต่ว่ารูปนะ จิตเป็นคนรู้คนดูจิตแยกออกมาอยู่ต่างหากตอนนี้คนที่เรียนกับหลวงพ่อแล้วจิตที่แยกออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นร่างกายอยู่ต่างหากนี่มีนับไม่ท้วนะ่ะใช้เวลาไม่นานหรอกแต่ถ้าเราทำผิดแนละ้วเราเพ่งเอาเพ่งเอาดูลมก็เพ่งลมดูท้องก็เพ่งท้องให้จิตแนบลงไปในลมจิตแนบลงไปในท้องกี่ปีกี่ชาติมันก็อยู่แค่นั้นน่ะต้องค่อยค่อยฝึกนะทาตัวเป็นผู้ดูให้ได้ ศา ส, สนาพุทธนะ่ะสอนให้เราทำวิปัสนาวิปัสนาคือการเห็นความจริงอย่างยอดเยี่ยมอย่างวิเศษคือเห็นจนเป็นไตรลักให้เรารู้เราเห็นไม่ใช่ให้เราเข้าไปแทรกแสงบังนคะับแล้วเราคอยดูกายเห็นกายมันทํางานใจเป็นคนดูนะเห็นเวทนาเกิดขึ้นในกายเวทนาก็สักว่าสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูเป็นสิ่งที่ผ่านมาผ่านไปจิตเป็นผู้รู้ผู้ดนะูความสุขความทุกข์เกิดขึ้นนะในจิต จิตก็เป็นผู้ดู <DB> เห็นความสุขเกิดขึ้นในจิตแล้วก็ผ่านไปเห็นความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปนี่ฝึกอย่างนี้ไปเ ร, Research, รื่อยกิเลสเกิดขึ้นมานะความโลภความโกรธความหลงความฟุ้งซ่านความหดหู่ความลังเลสงสัยความอิดชา้าความกังวลความกลัวเนี่ยกิเลสนานาชนิดเกิดขึ้นในใจเราก็แค่รู้ไปเราจะเห็นกิเลสผ่านมาผ่านไปเหมือนคนเดินผ่านหน้า บ, บ้านเราหัดดูไปดูอยู่ในกายดูอยู่ในใจเบื้องต้นเอาอันเดียวก่อนแต่เบื้องปลายมันจะรู้ทั้งหมด ร่างกายเคลื่อนไหวมันจะรู้สึกจิตเคลื่อนไหวมันจะรู้สึกจะรู้ได้ทั้งหมดแต่เบื้องต้นอวันเดียวก่อนนะอย่างหลวงพ่อแต่ก่อนหลวงพ่อหายใจหายใจไปแล้วก็พุโทโธบ้างไม่พุโทโธบ้างแจะเห็นร่างกายหายใจวันที่ไปเรียนจากหลวงปู่ ด, ดูลนะท่านบอกให้มาดูจิตตัวเองนะเราค่อยๆดูไปเรืยนั่งรถไฟกลับมาจากสุรินนะจิตมันต้องอยู่ในร่างกายเราจะค่อยรู้อยู่ในร่างกายเนี่ยรู้มาถึงกรุงเทพนะใกล้ๆจะถึงกรุงเทพนะ มันเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งนะจิตเป็นคนดูร่างกายที่หายใจอยู่เนี่ยอย่างเราพยักหน้าเนี่ยเห็นไหมร่างกายมันเคลื่อนไหวจิตเป็นคนรู้ว่ามันพยักหน้านะเราจะเห็นในร่างกายนี้มันแยกอยู่ต่างหากนะความสุขความทุกข์มันก็แยกไปอยู่ต่างหากนะกิเลสหรือกุศลทั้งหลายมันก็แยกออกไปอยู่ต่างหากจิตมันอยู่ต่างหากนะเราค่อยๆฝึกไปมีสติตามรู้มันไปเรื่อยพอเราแยกขันได้แล้ะกายส่วนกายเวทนาส่วนเวทนา สังขารที่เป็นกุศลกุศลส่วนของสังขารจิตที่เป็นคนรู้ส่วนของจิตพอแยกออกไปได้แล้วเราจะดูสภาวะธรรมแต่ละตัวแต่ละตัวจะไม่มีตัวเราร่างกายเนี่ยนะถ้ามันอยู่ต่างหากนะจิตไม่เข้าไปสําคัญแั่นหมายร่างกายมันก็ไม่เคยบอกว่ามันเป็นตัวเรามีใครเคยรู้สึกมือมือของใครบอกว่านี่มือของฉันบ้างมีไหมมือของใครบอกบ้างว่านี่คือมือของฉันนะมันไม่เคยบอกเลยนะแต่เราบอกเอาเอง เราคิดเอาเองเราสําคัญมั่นหมายเอาเองถ้าเราแยกกายออกไปจิตเป็นคนดูอยู่เราจะเห็นในร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่มันไม่เป็นตัวเรามาตั้งแต่แรกแล้วเพราะอะไรเพราะจิตไม่ไปหลงอยู่ในโลกของความคิดไม่ได้คิดเนแค่รู้สึกรู้สึ ก, ร, สกรู้สึกถึงร่างกายมันก็เห็นร่างกายไม่ใช่เรารู้สึกถึงเวทนาความสุขความทุกข์ทางกายทางใจนก็จะเห็นว่าเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยทางกายทางใจไม่ใช่เราเป็นแค่สภาวธรรมที่แปลปลอมเข้ามานะ หรือดูจิตดูใจนะจิตเราก็จะเห็นว่าจิตมีราคาก้อันหนึ่งนะราคาไม่ใช่จิตราคาเป็นสิ่งที่แปรปลอมเข้ามาในจิตมาแล้วก็ผ่านไปก็กลายเป็นจิตไม่มีราคะโทสะก็มาโทสะก็ไม่ใช่จิตนะเป็นสิ่งที่แปรปลอมเข้ามาพวกเราค่อยๆฝึกไปนะอย่างใจมันโกรธขึ้นมาก็รู้ทันใจที่โกรธเนี่ยดูไปเรื่อยๆเราจะเห็นเลยว่าความโกรธไม่ใช่ใจหรอกความโกรธไม่ใช่จิตออกจิตเป็นคนรู้ว่าโกรธจิตไม่เคยโกรธเลยนะ นี่เราค่อยๆฝึกนะแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกไปเป็นส่วนย่อยๆศา ส, สนาพวก น, นี่เป็นศาสนาที่ประหลาดมีวิธีการเรียนที่เรียกว่าวิพัชวิธีซึ่งคนอื่นคงไม่ค่อยจะมีหรอกไม่เคยเห็นมิพัชชวิธีว่าแหวนสลอิพอสำเพาไมทนานกาศช่อช้างวิพัชชะแปลว่าแยกเหมือนเราอยากเห็นความจริงนะะว่าห้องนี้ไม่มีจริงเราต้องมาลื้อดู มันเป็นหลังคามันเป็นหลอดไฟมันเป็นป่ากเก่เนะะี่ยพอถอดออกมาชิ้นๆป่าเก่เขไม่ใช่ห้องนี้หลอดไฟก็ไม่ใช่ห้องนี้หรือมีรถยนต์หนึ่งคันเราว่ามีรถยนต์จริงๆจับรถยนต์มาถอดเป็นชิ้นๆเราจะพบว่ามันไม่มีรถยนต์หรอกมันเป็นอะไรเล็กๆจํานวนมากมารวมกันสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานี้เหมือนกันนะถ้าเราถอดออกด้วยสติปัญญาแล้วก็เห็นร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งเวทนาก็อยู่ส่วนหนึ่งนะสังขารที่เป็นกุศลอกุศลอยู่ส่วนหนึ่งจิตก็อยู่ส่วนหนึ่ง พอเห็นอย่างนี้ได้เราจะเห็นเลแต่ละส่วนแต่ละส่วนนั้นไม่ใช่ตัวเราหรอกที่มันเป็นตัวเราขึ้นมาเพราะมันมารวมกันเข้าเหมือนรถยนต์มันเป็นรถยนต์เพราะอะไรมันมารวมกันโยสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานี่มันก็เกิดจากขันทั้งหลายมันมารวมตัวกันเข้างั้นเราจะเรียนจนค่อยๆแยกขันออกไปร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งนะฟังแล้วเหมือนยากจริงๆไม่ยากหรอกอย่างเดินไปนะหรือหายใจไปอย่างเงี้ย เห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูฝึกอย่างนี้เรื่อยๆไม่นานก็เห็นนะร่างกายที่หายใจอยู่ร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนอยู่ไม่ใช่เราหรอกนะค่อยๆฝึกอย่างนี้นะปัญญามันเกิดหรือดูจิตดูใจเราจะเห็นเลยจิตที่โลบเกิดแล้วก็หายไปจิตที่โกรธเกิดแล้วก็หายจิตทุกชนิดเกิดแล้วก็หายไปนะทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปจิตจริงๆก็เป็นแค่ธรรมชาติรู้โบลบโกรธหลงเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมันมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับบังคับมันไม่ได้ นะจะเห็นอย่างนี้เรื่อยๆตัวจิตเองก็เกิดดับเดี๋ยวจิตก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็จิตเป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพง่งเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เผลอไปนะใครรู้จักเผลอบ้างเผลอมีเยอะใช่ไหมสัตว์โลกทั้งหลายเผลอตลอดเวลานะส่วนนักปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยเพ่งตลอดเวลานะใครดูให้ดีเถอะถ้าเมื่อไรใจเรานิ่งๆนี่นี่เพ่งเบาๆ ถ้าเพง่งโดดเดือดขึ้นก็อย่างนี้นี่เพ่งให้ลืมโลกไปเลยนะ <Okay. S 1> เราคอยดูไปเดี๋ยวจิตก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวจิตก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวจิตก็เป็นผู้เพ่งมันเกิดดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่มีตัวเราจิตที่เป็นผู้รู้ก็ไม่ใช่เรานะจิตที่เป็นผู้คิดก็ไม่ใช่เราจิตที่เป็นผู้เพ่งก็ไม่ใช่เรานี่เราตามดูสรุปง่ายๆขัาแรกทากรรมฐานเพื่สักานหนึ่ง นะแล้วก็เห็นแต่ร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูหรือเห็นความสุขความทุกข์ผ่านมาผ่านไปใจเป็นคนดูเห็นกิเลสผ่านมาผ่านไปใจเป็นคนดูตัวใจเองเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้ผู้ดูเดี๋ยวก็เป็นผู้คิดผู้นึกผู้หลงนี่ดูไปเรื่อยแต่ละขันแต่ละขันแต่ละตัวแต่ละตัวรู้นนจะเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นเลยนะจิตที่หายจิตที่อะไรโกรธใช่ไหมอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายจิตที่โลภอยู่ชั่วคราวแล้วก็หาย จิตที่สุขจิตที่ทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายเนี่ยการที่เราตามดูขันแต่ละขันเขาทํางานของเขาไปดูสภาวะธรรมแต่ละตัวแต่ละตัวนะให้ค่าเราแยกอะไรรถยนต์ที่ชื่อว่าตัวเรานี้ออกมาเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแต่ละชิ้นไม่มีตัวเราตามรู้ตามดูต้องคิดไหมว่าไม่ใช่เรานะีไม่ต้องคิดนะจะเห็นของจริงเลยไม่มีเราหรอกเพราะงั้นวิปัสสนาไม่ใช่การคิดเอานะ สรุปง่ายๆพูดหลายสรุปแนละ้วหลวงพ่อต้องสรุปบ่อยเพราะเรนเล่นกอไก่ยันหอนุภูกเนี่ยถ้าไม่สรุปเป็นช่วงๆนะฟังแล้วก็ลืมหมดละอันแรกเลยนะทํากรรมฐานเพื่อสักอันนึงดูกายทางานดูใจทํางานดูเฉยๆอย่าเข้าไปแทรกแซงตามรู้ตามดูไปด้วยใจที่เป็นกลางอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องไว้นะการดูเนีย่ยอย่างโดยเฉพาะการดูจิตดูใจนะอย่าเริ่มต้นด้วยความอยาก หรือการปฏิบัติธรรมก็อย่าเริ่มด้วยความอยากพวกเราที่ปฏิบัติแล้วล้มเหลวไปไม่รอดเพราะเราเริ่มด้วยความอยากนะเช่นอยากเดินจงกรมไม่เห็นว่าอยากนะั้นเดินแทบเป็นแทบตายเดินหลายชั่วโมงเดินเสร็จแล้วก็ภูมิใจกูเก่งกูเก่งกูทนกว่าคนอื่นนะนี่เดินแล้วกิเลสหนากว่าเก่าอีกแสดงว่าล้มเหลวแล้วนะหรือนั่งนะนั่งโต้รุ่งได้แล้วก็กูเก่งขึ้นมามนั่งโต้รุ่งแล้วนั่งทนทนไป น, นั่งทรมานกายนั่งทรมานใจ ทำอัตตะกิลมัฐานุโยคไปเรื่อยๆไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกได้แต่ทนทนเสร็จแล้วก็กูเก่งขึ้นมาซะอีกแทนที่จะเห็นว่าไม่มีกูนะงั้นเราดูเล่นๆแต่ดูกายเขาทำงานดูใจเขาทํางานอย่าเริ่มต้นด้วยความอยากยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเราอยากดูจิตพออยากดูจิตนะเราจะคอยจ้องไนตอนนี้จิตเป็นยังไงจ้องจ้องจองจเที่ยวหาใหญ่นะพอหาหาไปเจออะไรสักอย่างก็เพ่งเลยคราวนี้เพ่ง นันอย่างเราจะดูจิตดูใจหรือเราจะทากรรมฐานอย่ารับมต้นด้วยความอยากอย่าให้โลภครอบนะกิเลสเนี่ยเป็นสหาชาตปัจจัยของกรรมนะหมายถึงว่ามันเกิดร่วมกันเกิดพร้อมๆกันตราบใดที่ยังมีการกระทําด้วยอํานาจของกิเลสนะกิเลสก็ยังอยู่ยกตัวอย่างเราอย่างอยากจะเดินจงกรมเนี่ยใจมีความอยา ก, ใ จ, ายากใจมีกิเลสล้วก็ไปดเดินเดินเดินเดินเดินด้วยใจที่อยากนะในขณะนั้นความอยากก็ยังอยู่ ความอยากมันเกิดร่วมกับการกระทํากรรมฐานนั้นสติแท้ๆจะไม่เกิดเพราะสติจะไม่เกิดร่วมกับอกุศล น, นะงั้นตลอดเวลาที่เราทําไปก็ทรมานตัวเองไปเรื่อยนะทรมานไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรหรอกคอยรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวศัตรูหมายเลขหนึ่งของผู้ปฏิบัติก็คือขาดสตินะพอรู้สึกตัวแล้วก็ดูกายเ้าทํางานดูใจเ้าทํางานดูความจริงของเขา เราจะดูความจริงของเขาได้ถ้าใจเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งใจจะตั้งมั่นขึ้นมาได้นะค่อยๆฝึกไปเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเงนี้นใจก็จะตั้งนะเห็นร่างกายพองร่างกายยุบใจเป็นคนดูค่อยๆฝึกไปมันมีใจที่เป็นคนดูขึ้นมาฝนะึกอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปเราจะเห็นในสภาวะทั้งหลายผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นไม่มีสภาวะใดๆเกิดแล้วไม่ดับ เวลาที่เราทํากรรมฐานเราไม่ได้ทําเพื่อเอาชนะขันไม่ได้เอาชนะขันนะยกตัวอย่างบางคนนั่งนั่งสมาธิปวดขาบอกจะนั่งเอาชนะเวทนานั่งชนะเพื่ออะไรเพื่อกูจะได้เก่งใช่ไหมเราไม่ได้เรียนกรรมฐานเพื่อเอาชนะขันนะเราไม่ได้เรียนกรรมฐานเพื่อจะบังคับไม่ให้จิตมีกิเลสไม่ใช่เพื่อสั่งให้จิตเกิดกุศลแต่เราจะเรียนกรรมฐานเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจ เมื่อเราไม่ได้เรียนเพื่อบังคับกายบังคับใจนั่งกรรมาฐานพอนั่งนานๆมันเมื่อยเราก็ดูไปหัดดูไปนะเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความเมื่อยอยู่ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้ว่าเมื่อยอยู่อีกส่วนหนึ่งค่อยๆดูไปแยกขันไปนะเดินจงกลมก็เห็นร่างกายมันเดินไปจิตเป็นคนดูไปดูไปดูมาเดินไปเดินมาก็ลืมกายหนีไปคิดเนรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดนี่คอยรู้กายก็ยรู้ใจบ่อยๆนะสติมันจะเกิด แล้วก็ใจมันจะตั้งมัน่นมันจะรู้ตอนที่ใจไหลไปใจของเราไหลทั้งวันใครรู้จักใจที่หลงไปทางตาบ้างไหลไปทางตาใครเคยเห็นไหมนะถ้าไม่เคยเห็นเราช่วยกันดูดูคนนี้ก็แล้วกันเนี่ยแหวนกล้องทุกคนช่วยกันจ้องคนนี้นะดูสิหล่อแค่ไหนคอยดูเขาไว้นะเขากําลังใจสัน่นนะดูเขาสังเกตไหมขณะที่เราจดจ่อไปดูเขาเนี่ยเราลืมตัวเราเองแล้วไหม เนี่ยเราหลงไปแล้วนะจิตเราหลงไปเวลานั่งฟังหลวงพ่อสังเกตไหมจิตไหลไปคิดเป็นช่วงช่วงบางทีไปคิดเรื่องอื่นนะบางคนหนีข้ามไปฟิวเจอร์พาร์คอะไรน่นแล้วนะเนะนี่ยให้เราคอยรู้ทันนะจิตมันไหลไปถ้าเมื่อไรเรารู้ทันว่าจิตไหลไปนะจิตจะตั้งมัน่นแต่จะตั้งชั่วขณะนะไม่เหมือนคนทรงฌานคนที่ทําฌานมาออกจากสมาธิแล้วจิตจะตั้งมั่นอยู่ได้อีกนานนะ แต่เราไม่ได้ตั้งมั่นแบบนั้นเรนก็ดูไปเป็นขณะขณะถ้ารู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเองนี่แหละหลักของการทำพิพิธนันนะมีสตินะไม่ใช่ขาดสติลืมกายลืมใจให้มีสติมีสติเราก็แค่รู้กายรู้ใจไม่ใช่เพ่งกายเพ่งใจนะไม่คิดเรื่องกายเรื่องใจไม่เพ่งกายเพ่งใจรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงความจริงของกายของใจคือไตรลักษณ์เราจะเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์ เรียว่ามีปัญญาปัญญาคือการเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจนะปัญญาจะเกิดได้จิตต้องตั้งมัน่นนะะเราค่อยๆฝึกนะเครื่องมือสําคัญจนะมี2ตัวนึงมีสตินะวิธีให้เกิดสติก็คือหัดรู้สภาวะไปเรื่อยจิตรู้ก็รู้จิตโกรธก็รู้ท้องผ่องก็รู้ท้องยุบก็รู้รู้สึกตัวไปเรื่อยรู้สึกรู้สึกนะพอมีสติแล้วเนี่ยอย่าไปเพ่งไม่ใช่ไปเพ่งท้องจนจิตนิ่งเพ่งมือจนจิตนิ่งมันคนจะีบแก้วน้ำนะเพ่งใส่มือไปเรืย เพ่งเพ่งเพ่ ง, พงนี่โลภะมันแทรกแล้วนะอยากดูใช่ไหมอยากปฏิบัติเนี่ยมันใช้ไม่ได้ตั้งแต่แรกนะั่งเพ่งเพ่งมากๆนะั่งเป็นปลอมลูกฟักนะพอเพ่งร่างกายถึงขีดสุดเนี่ยได้ฌานที่สี่ฌานที่สี่เนี่ยถ้าไม่สนใจความรู้สึกนะจิต ด, ดับลงไปเป็นปลอมลูกฟักนะอาสัญญาสัตตาภูมิเหลือสัตวเป็นสัตว์ตลาดมีหนึ่งขันพวกเราเป็นสัตว์ห้าขันนะขันก็เยอะดีแล้วยังทำเสื่เหลือขันเดียวใช้ไม่ได้ ถ้าค่อยฝึกเอานะอย่าไปเพง่งมีสติรู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นได้ไปรู้ไปอย่างสบายๆดูเ้าทํางานไปอย่างสบายๆหลวงพ่อเราที่ตัวเอภาวนาให้ฟังก็ได้นะหลวงพ่อภาวนามาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ปีศูนย์สองใครใครยังไม่เกิดมีไหมศูนย์สองโอ้ส่วนใหญ่ยังไม่เกิดแสดงว่าเราชราละ <c oughs> <c oughs> ภาวนาตั้งแต่ปีศูนย์สองนะ ไปเรียนจากท่านพ่อหลีวัตัโศการามท่านพ่อหลีเป็นพระที่เก่งมากลูกศิษย์ท่านจันมันแต่เราเด็กอะไปเรียนท่านก็บอกให้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนะแล้วฝึกอย่างนี้ทุกวันเลยฝึกทําแต่อย่างเนี้ยเราไม่รู้ว่าทําไปเรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่มันจะได้มากได้ผลแต่คิดว่าทำไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งจะได้ที่จริงท่านสอนสมถะสอนพื้นฐานให้นะทำใจสงบใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูน แต่ถัดจัดใจที่เป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วจะทํำยังไงต่อทําไม่เป็นละเรียกว่าไม่ไม่มีอาจารย์นะท่านอยู่เรียนกับท่านได้ปีสองปีท่านก็สิ้นละเราไม่มีอาจารย์ในตอนนั้นครูบาอาจารย์อยู่อีสานเราเด็กๆไม่มีปัญญาไปเรียนว่าจนอายุยี่สิ้านะปีสองห้าละอายุยี่สิ้าไปเจอหลวงปู่ดูลีเข้าหลวงปู่ดูลท่านก็สอนนะให้ให้ดูต่อเลยดูจิตต่อไปเลย ถ้าเราเคยทําความสงบนะจิตมันตั้งมั่นมาแล้วบอกให้ดูความเคลื่อนไหวความเปลีป่ยนแปลงดูจิตต่อไปเลยแม้หลวงปู่ดูลไม่เคยทําลายกรรมฐานเดิมของเรานะท่านต่อยอดให้เพราะ ถ, ถ้ากรรมฐานเดิมของเราไม่ผิดอย่างพวกเราเคยฝึกพองยุบก็ไม่ผิดนะแต่ว่าต้องต่อยอดให้เป็นไม่ใช่พองยุบไปเรื่อยๆแล้วก็เพ่งแต่ท้องนะจิตก็นิ่งบ้างลืมเนื้อลืมตัวบางคนหอบยุ่งกันไปหาหลวงพ่อนะมีพระพก็มีโยมก็มีนะ เพ่งกันจนสติแตกลนะจนลืมเนื้อลืมตัวมีพระองค์หนึ่งไปนะนะน้าลายไหล ย, ยืดเลยนะไม่มีความรู้สึกตัวเลยนะทิ้งขันกันนะทิ้งขันโอ้ทิ้งขั น, ขนพระระหันอย่างนั้นอนาถเกินไปไม่มีใครเขาเอาหรอกนะต้องรู้สึกตัวนะเนี่ยเราก็หัดดูนะพอใจสงบก็ตามรู้ตามดูมันเรื่อยตอนนั้นหลวงพ่อรับราชการอยู่รับราชการอยู่ข้าราชการชั้นดี ตื่นนอนขึ้นมาคิดว่าวันนี้วันจันทร์จิตใจจะเป็นยังไงนึกออกไหมสดชื่นจะได้ทํางานแล้วดีใจดีใจนะหัวเราะเนี่ยแสดงว่ารู้ใจเราเนะี่ยตื่นเช้าวันจันทร์นะวันจันทร์อีกแล้วเหรอนะถ้าตื่นเช้าวันอังคารขี้เกียจเยอะรู้สึกไหมตื่นเช้าวันพุธเนะ่ยเสงงเสงเรียกว่าวันพุธเนี่ยสุดเส็งนะพอตื่นเช้าขึ้นมานึกได้ว่าวันนี้วันพฤหัส ใจเราจะเริ่มมีความสุขแล้พอถึงวันศุกร์นะตื่นเช้ามาวันนี้วันศุกร์เนี่ยใจกระดีกระดานะถ้าว่าลองบิ๊กเอนด้วยนะยิ่งกระดีกระดาหนักกว่าเก่าอีกเนี่ยตื่นนอนขึ้นมานะแค่ใจคิดความรู้สึกก็เปลี่ยนนะหลวงพ่อก็รู้ทันใจที่เปลี่ยนแปลงเใช่ไหมใจมันคิดความรู้สึกก็เปลี่ยนนะไปอาบน้ำส่ว น, นอากาศหนาวหนานะอาบน้ําในตุ่มใช่ไหมน้ํากระทบตัวเรา ความจริงยังไม่ทันกระทบในตาเราเห็นตุ่มน้ําในฤดูหนาวรู้สึกยังไงสดชื่นสดชื่นไหม <c oughs> สยองสยองรู้ว่าสยองเห็นไหมตามองเห็นรูปความรู้สึกเกิดที่ใจมีสติรู้ทัในเห็นไหมตอนแรกตอนตื่นนอนัใจมันคิดคิดว่าวันนี้วันนี้วันนี้ความรู้สึกก็เปลี่ยนก็มีสติรู้ทันที่ใจของเราตามามองเห็นตุ่มน้ําสยองใจรู้ว่าสยองรู้ทันใจแต่ตาเห็นรูปความรู้สึกก็เปลี่ยนมีสติรู้ทัน น้ำมากระทบตัวขันที่หนึ่งเนี่ยน่ากลัวที่สุดใครเคยอาบน้ําในตุ่มหน้าหนาวนะมีไหมเด็กรุ่นนี้มันอาบแต่น้ําร้อนไม่ได้เรื่องอ่ะขาดรสชาติของชีวิตขันที่สองน่ากลัวน้อยกว่าขันที่หนึ่งนึกออกไหมขันท้ายๆเนี่ยเริ่มดีใจแล้วรู้สึกไหมเนี่ยแค่น้ํากระทบตัวเรานะความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยมีสติตามรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงนะไปกินข้าว ตามองเห็นนะเดินไปร้านอาหารในที่ทํางานโอ้วันนี้มีของที่เราชอบทั้งนั้นเลยนะตามมองเห็นเนี่ยใจก็ยินดีจมูกได้กลิ่นด้วยนะโอ้ย น, นี้หอมนะมันกําลังผัดอะไรชงเชงชงเชอ ง, ช อ, งอย่าน่ากินนะเนี่ยใจมันเปลี่ยนแล้วมันตะกละขึ้นมารู้ว่าตะกละนะเนี่ยกรรมฐานนะไม่ยากหรอกเราสามารถฝึกได้ในชีวิตประจําวันของเราให้ตามันกระทบรูปให้หูมันกระทบเสียงให้จมูกมันกระทบกลิ่นให้ลิ้นมันกระทบรสไป นะให้จมูกมันได้กลิ่นลิ้นกระทบรสให้กายมันรู้สึกกระทบสัมผัสไปไม่ใช่ไปทําตัวให้ไม่มีความรู้สึกนะกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายไปเรื่อยๆตามตามธรรมชาติหรือใจของเราก็คิดนึกปรุงแต่งไปตามธรรมชาติไม่ได้ห้ามคิดนะไม่ห้ามนะับปล่อยให้มันทํางานไปตามธรรมชาติเพราะมันกระทบทางตาความรู้สึกเปลี่ยนมีสติรู้ทันกระทบทางหูความรู้สึกก็เปลี่ยนก็มีสติรู้ทัน กระทบจมูกกระทบลิ un, ้นกระทบกายความรู <it is S 2> <h> ้สึกก็เปลี่ยนแล้วก็มีสติรู้ทันกระทบทางใจใจคิดเรื่องนี้มีความสุขใจคิดเรื่องนี้มีความทุกข์เราก็รู้ทันใจที่เปลี่ยนแปลงสุขบ้างทุกข์บ้างคิดเรื่องนี้ดีใจคิดทึกเรื่องนี้เสียใจคิดถึงคนนี้รักขึ้นมารู้ว่ารักคิดถึงคนนี้โกรธรือว่าโกรธนะให้รู้ทันใจของตัวเองหลวงพ่อเคยมีญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งนะแกเป็นคนจีนอ่ะหลวงพ่อก็มีเป็นลูกครึ่งนะ ไม่ใช่ครึ่งกกนครื่งผีนะเป็นลูกครึ่งนะมีญาติเนี่ยอาอีมาที่วัดแล้วอาอีก็มานั่งฟังหลวงพ่อเทศนะมาอยู่วัดแล้วมาฟังฟังไปวันหนึ่งอาอีก็บอกหลวงพ่อว่าอาอี้ภาวนาเป็นละอาอี้เห็นพัดลมรู้ว่าพัดลมอย่าไปบอกแกนะเห็นพัดลมรู้ว่าพัดลมคนไม่ภาวนามันก็รู้ใช่ไหมะอ้นั้นเป็นกรรมฐานไหมไม่เป็นนะ เห็นพัดลมแล้วอยากจะขโมยกลับบ้านรู้ว่าอยากเอากลับบ้านอันนี้ถือจะเป็นนะใจมันเปลี่ยนใจมันเกิดความชอบขึ้นมาเห็นพัดลมแล้วสุดกระจอกวัดนี้ทําไมไม่ติดแอร์เหมือนยุคพระพุทธน่ยนะนะใจปลาม่าเลยรู้ว่าใจไม่ชอบเลยนะมันร้อนเกินไปรู้ทันที่ใจตัวเองนะเราอย่าไปวาดภาพการปฏิบัติธรรมให้ยากเกินความจริงนะการปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยต้องหลอมรวมเข้ามาในชีวิตธรรมดาของเราให้ได้ เพาชีวิตส huh. ่วนใหญ่ของเราอยู่กับโลกธรรมดานี้แหละนานๆจะมาเข้าวัดนานๆจะมาเข้าคอสักครั้งหนึ่งจะไปรอทําตอนเข้าวัดเข้าคอสจะไม่ได้กินหรอกถ้าอยู่กับโลกไม่เคยเจริญสติพอมาเข้าวัดเข้าคอสนะเพ่งทุกรายอ่ะเราอยากดีก็เพ่งเอาเพ่งเอาเพ่งเอาเพ่งเอาเพ่งสุดท้ายก็เพ่งอย่างนี้นะเพ่งมากๆบางคนก็อย่างนี้บางคนก็อ๋อเคยเห็นไหมมันเพี้ยนไปหมดเลยนะ ง่ายๆจะไหมนะธรรมะเป็นเรื่องธรรมดาเราจะเรียนรู้ความเป็นธรรมดาของกายของใจไม่ใช่เรียนบังคับให้ผิดธรรมดานะดูไปธรรมดาของกายเป็นยังไงคยรู้สึกไปธรรมดาของใจเป็นยังไงคยรู้สึกไปรู้สึกอยู่ในชีวิตอย่างนี้แหละนะแต่ว่าถ้าใครอยากดีกว่านี้ถือศีลไว้ก่อนการมีศีลเนี่ยคือการจัดระเบียบชีวิตให้สงบให้เรียบร้อย มันจะเกื้อกูนให้จิตสงบง่ายคนไม่มีศีลไม่สงบหรอกอย่างคนคิดจะขโมยเขาใช่ไหมไม่สงบหรอกคนคิดจะไปฆ่าเขาไม่สงบหรอกฆ่าเสร็จแล้วก็ไม่สงบอีกคือไหมขโมยแล้วก็ไม่สงบอีกนะี่ยเจอจะเป็นชั่วขเขาจิตก็ไม่สงบเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยนะมันจะช่วยจัดระเบียบชีวิตของเราให้มันเรียบง่ายนะสบายสบายไม่เคร่งเครียดพอเรามีศีลแล้วเนี่ยใจเราจะอยู่กัเนื้อกับตัวง่ายนะ ใจตั้งมันง่นไงงั้นถ้าเราไม่มีศีลน้อยวอกแวกวอกแวกคิดกลุ้มใจไปโน่นไปนี้เรื่อยๆถ้ามีศีลอยู่ใจก็อยู่กันเนือกับตัวไปนะพอใจอยู่กันเนือกับตัวแล้วเราก็ค่อยตามรู้กายรู้ใจไปบางคนก็ดูกายนะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูบางคนก็ดูจิตดูใจไปวิธีดูจิตก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ความรู้สึกใดแปลกปลอมขึ้นมารู้มัน แต่รู้ด้วยความเป็นกลางนะมีเงื่อนไขสําคัญมากรู้ด้วยความเป็นกลางเช่นกิเลสเกิดขึ้นมารู้ว่ามีกิเลสเช่นความโกรธเกิดขึ้นรู้ว่าโกรธพอความโกรธเกิดขึ้นใจเราไม่ชอบให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบนี่นะความไม่ชอบนี่คือความไม่เป็นกลางถ้าเมื่อไร่เราสามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตใจที่ตั้งมัน่นด้วยจิตใจที่เป็นกลางได้นะปัญญาแท้ๆมันจะเกิดนี่เห็นกายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เรา จะเห็นว่าทุกสิ่งนี้เป็นของชั่วคราวความสุขความทุกข์กุศลอกุศลทั้งหลายนี้เป็นของชั่วคราวทั้งหมดเราภาวนาจนเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายชั่วคราวทั้งหมดตรงนี้แหละใจจะเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างตัวนี้แหละคือสิ่งที่เรียกว่าสังขารู้เบกขายาณจิตมีปัญญาเป็นกลางกับความปรุงแต่งทั้งหลายสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายนี่จิตเป็นกลางหมดเลยเพราะอะไรเพราะปัญญา ไม่ใช่กลางเพราะกันเพ่งไม่ใช่การเป็นกลางเพราะกําหนดนะกำหนดแล้วเป็นกลางเนี่ยยังไม่ใช่ตัวนี้ต้องเป็นกลางเพราะปัญญาถ้าเราตามรู้จิตใจของเราทุกวันทุกวันเราจะเห็นในความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายโรคหลดหลงอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายกุศลอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปถ้าตามตัวอย่างนี้นานๆไปนะจิตมันยอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไป ความสุขเกิดขึ้นจิตไม่หลงระเริงความทุกข์เกิดขึ้นจิตไม่กลุ่มใจนะจิตมันจะเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไปรู้เข้าจิตที่มันเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะนะตัวนี้เป็นตัวสําคัญนะนี่คือประตูแห่งการบรรลุมรรคผลเพราะมันเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไม่ปรุงแต่งต่ออย่างถ้ามันไม่เป็นกลางมันจะปรุงแต่งต่อเช่นความโกรธเกิดขึ้นอยากให้หายก็ต้องหาทางทาให้หายไหมปรุงแต่งต่อแล้ว ความสุขเกิดขึ้นอยากให้อยู่นานๆต้องหาทางรักษาเนี่ยปรุงแต่งต่อมีการทํางานแต่ถ้ามันเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไม่ปรุงแต่งต่อจิตจะพ้นจากความปรุงแต่งทํารู้ทําดูจนมันพอนะสติสมาธิปัญญาแก่รอบจิตใจยอมรับความจริงยอมรับไตรลักษณ์ว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างเกิดแล้วดับถึงจุดนี้เนี่ยมันจะเป็นรอยแยกพวกที่หวังพุทธภูมินะ ก็มีโอกาสจะเป็นพระโพธิสัตว์ที่ได้รับคําพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าไม่ใช่พยากรณ์จากหมอดูนะต้องพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพวกที่ไม่ได้หวังจะเป็นพระโพธิสัตว์นะแต่หวังความพ้นทุกนะจิตมีโอกาสที่จะเกิดมรรคผลได้เวลาที่จิตจะเกิดมรรคผลนั้นจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิงั้นเวลาท่านพูดถึงองค์มครรคเนี่ยสัมมาสมาธิท่านจะพูดด้วยอัปปนาสมาธิด้วยฌานสี พวกเราตอนที่เจริญสติอยู่นี่เรียกว่าเจริญบุ ป, ปผาอมัเบื้องต้นแห่งมักยังไม่เป็นฌานนะนั้นเรหัดเจริญสติอยู่ในชีวิตประจําวันอย่างเงี้ยถึงวันที่อริยมรรคเกิดเนี่ยจิตจะรวมเข้าฌานโดยอันตโนมัตินะจิตเวลาที่เกิดมรรคเกิดผลจะไม่เกิดในจิตของคนธรรมดาที่เรียกว่ากามาวาจระะจิตกามาวาจรภูมิไม่เป็นอย่างนั้นนะจะต้องเข้าฌานนะเมื่อมันรวมเข้าไปแล้วมันจะเห็นสภาวะธรรมเนี่ยเกิดดับ สขณะหรือ3ขณะแต่ละคนไม่เท่ากันนะถัดจากนั้นจิตจะวางนะวางการรู้อารมณ์นะทวนกระแสเข้ามานะหาธาตุรู้นะสิ่งที่ห่อหุ้มปกคลุมธาตุรู้อยู่มิถูกอริยมัตแหวกออกไปนะแล้วก็มันจะไปเห็นนิพพานนะเห็นนิพพานนิพพานไม่ใช่ว่างเปล่าแต่นิพพานไม่ใช่โลกโลกหนึ่งนะพวกเรายัางไม่เคยเห็นเราก็วาดภาพสุดโต่งไปสองข้าง ข้างหนึ่งอนิพานเป็นโลกโลกหนึ่งนีพวกนี้พวกสัตสตาทิฏฐินะมีของที่เที่ยงคงที่อีกพวกหนึ่งคิดว่านิพานศูญย์ไปเลยขนาดนั้นไม่มีอะไรเหลือเลยกระทั่งสติพวกนี้หลงไปละคิดว่านิพานไม่มีอะไรเลยในพวกอุเฉทัทิฏฐินะนิพานมีนิพานนะนิพานมีสภาวะรองรับนิพานสภาวะของนิพานคือสันติคือความสงบนั่นเองสงบจากอะไรสงบจากกิเลสสงบจากอะไรสงบจากความปรุงแต่ง สงบจากอะไรสงบจากการแบบหามขันนะงั้นเราภาวนานะจากหอหนุหูกไปหากอไก่จากกอกไก่กลับมาหอหนุภูกแล้วนะเราจะเรียนได้แค่ไหนปลอปลาได้ไหม <c oughs> อา้าวชั่วโมงหนึ่งพอดีพอดีอดนะให้หลวงพ่อเทศเรื่องที่ยาวมากนะแล้วเนื้อหามันเยอะมากเลยเทศรอบเดียวไม่จบอ่ะอต่อไปใครจะคุยกับหลวงพ่อเชิญ กรับนมัสการค่ะก็ไม่ได้ส่งการบ้านกับหลวงพ่อหลายเดือนแล้วค่ะทุกครั้งที่ส่งจะท่านจะบอกว่ า, าโยมติดกฎกะติดประคองเสมอค่ะแต่รู้สึกหลังๆเนี้ยู้สึกว่ามันหลุดแล้วค่ะมันออมาลายออกมนาะแล้วก็เห็นนางมารายเยอะเลยค่ะในใจค่ะนี่แหละเราเห็นตัวจริงแล้วเราต้องการรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไม่ใช่เพ่ง ถ้าเราเพ่งไว้เรากําหนดไว้เราข่มไว้นะกายก็นิ่งใจก็นิ่งกิเลสไม่โผล่เรานึกว่าเราเป็นคนดีคเนื้อแท้ซ่อนเร้นสิ่งที่ร้ายๆเอาไว้นี่พอเราไม่เพ่งมันก็ขึ้นมาให้ดูค่ะดูด้วยความเป็นกลางนะแบบนี้ทีนี้ได้รับคําแนะนําว่าให้พยายามเหมือนกับว่าอยู่กับอริยบทย่อยแต่กลายเป็นว่าพอตั้งใจทํามันทําไม่ได้เลยครับท่านถ้าตั้งใจโลภก็เกิดค่ะนะ ดูดูจิตดูใจไปก็ได้ตอนนี้เพราะว่าเราไม่เพ่งแล้วแต่ก่อนที่แรกหลวงพ่ออาจจะให้ดูกายเพราะว่าติดเพง่งนะเพง่งนักเพ่งอาชีพเนี่ยมาดูจิตเนี่ยจะเพ่งนิ่งไปเลยงั้นเรารู้สึกร่างกายที่เคลื่อนไหว ใ, หใจเป็นคนดูบ่อยๆใจมันถอนออกมาอใจมันถอนออกมาคราวนี้เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตตลอดเวลาไปตามรู้ไป ตอนนี้มันจะเหมือนกับว่าทั้งวันเนี่ยจะรู้สึกว่าเหมือนกับเผลอทั้งวันแต่มันจะมารู้ตัวอัตโนมัติเวลาที่โทสะแรงๆมันมากระเพื่อมเลยะอันนั้นเพราะอะไรเพราะสติมันยังน้อยเนื่องจากจิตยังจำาจําสภาวะไม่แม่นจิตมันจำได้แต่โทสะที่แรง น, นี่เราหัดรู้หัดดูบ่อยๆต่อไปจิตจำสภาวะโทสะเบาๆได้หรือจำราคะได้จาโมหะได้ โยมยมต้องเพิ่มนั่งสมาธิหรือเป็นแบบรูปแบบนิ่งไหมคะต่หางานบ้านทำไว้ดีกว่าวอดเีอว่าพุทธก็ได้อลองเปลี่ยนบ้างสิลองจัดคอร์สพิเศษนะทำความสะอาดแทนที่จะมาเดินแล้วเพ่งเพงซุง่มๆุมนะเคลื่อนไหวไั้หางานทำพ่ออ้าวต่อไปมัสการของพ่อครับจริงๆผมเขียนหนูเรื่องไว้หลายอันแต่ว่าได้ฟังพ่อพูดแล้วก็เข้าใจหมด แล้วก็สภาวะตอนนี้มันมาถึงจุดที่มันสงบที่หลวงพ่อพูดครับแลมันติดมีตัวรู้เรารู้เรายึดมันก็หลงกับตัวรู้แล้วก็รู้ตามมันไปเรื่อยเเดี๋ยวมันให้รู้ทันให้รู้ทันว่าไปหลงกับมันนะไม่ตามมันไปฮะก็รู้ว่าสงบก็รู้ว่าสงบสงบรู้ว่าสงบพอใจที่สงบรู้ว่าพอใจใช่ครับมันมุ่งสร้างรู้ว่าฟุ่งสร้างไม่พอใจที่ฟุ่งสร้างรู้ว่าไม่พอใจใช่นะ นั้นสรุปง่ายๆนะให้รู้สภาวะทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่รู้แล้วยินดีให้รู้ทันรู้แล้วยินร้ายให้รู้ทันจิตจะเป็นกลางครับตอนนี้<ต>มันจะเหมือนอย่างนั้นนะพอกระทบอารมณ์อะไรแล้วแต่มันจะไม่ไปอย่างนี้แล้วมันจะอยู่แค่เนี้ยอะไรเข้ามาน้อยไปียงนิดนึงนะอย่างเพ่งอยู่อถ้าเพ่งอยู่มันไม่ค่อยไหว อ, ะอ่ะไหวน้อยรู้สึกไม่ไม่ค่อยกระเทือนอืก็ใช่ฮะเอาให้กระเทือนหนักวันนี้ได้ขุดเอาตัวจริงที่ร้ายๆออกมา แล้วก็มีสภาวะหนึ่งกะแบบนอนนอนอยู่แล้วก็ตัวรู้เขาก็ลอยออกมาแล้วก็รับสภาวะไปเราเห็นดูไปนะแล้วจิตยินดีให้รู้ทันจิตยินร้ายให้รู้ทันกลับมารู้ทันจิตไว้ครับะตัวรู้ลอยลอยไปเยเพลินไปออมันแค่รู้ครับแค่รู้มันแค่รู้เฉยๆบอมันมีอย่างนีมีออกจากร่างได้นะไปเที่ยวอย่างได้เลยนึกอยากฟังเทศที่ไหนแล้วก็ไปไปฟัง กราหมณมัสการหลวงพ่อครับคือผมเริ่มปฏิบัติได้เมื่อตอนต้นปีมกราที่ผ่านมานะครับแล้วก็คือในช่วงแรกๆสองสามเดือนแรกเนี่จะเห็นคือก็จะมีอยู่สองสามครั้งที่พ อ, อตอนนอนอยู่เนี้่จะเห็นว่าร่างกายเรานอนอยู่แล้วก็เป็นอยู่สองสามครั้งแล้วก็รู้สึกไหมมันไม่ใช่เราแล้วใช่ครับใช่ร่างกายมันเป็นก้อนอะไรก้อนหนึ่งนอนอยู่ใช่ครับนะแล้วก็พอหลังจากนั้นมาก็จะรู้สึกว่าเกิด อาการเบื่อค่อนข้างแรงเอคือเบื่อเบื่อมากๆจนตอนนั้นนี่คือทนไม่ค่อยได้ทีนี้ก็เลยก็เลยคิดว่าเคยได้ยินไหมเพราะรู้ตามความเป็นจริงจิงเบื่อไหนนะยได้ได้ยินจากพี่น้องพ่อแต่ใจเราไม่เป็นกลางเน้นออกไหมใจเราทนไม่ได้ใช่คือทนไม่ได้ก็เลยคิดว่าตัวเองคงทําอะไรผิดพลาดไปแล้วเพราะว่าเหมือนกับว่าจะอยู่ในโลกไม่ได้ก็เลยเลิกทําไปเลยแล้วก็แล้วก็พอ พ่อพ่อหลังจากนั้นเนี่ยก็คือในในช่วงนี้เนี่ยคือจะนั่งจะสวดมนต์ข้างๆเยอะแล้วก็จะพยายามเอาสติอยู่กับลมหายใจแล้วก็ปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหมจะคล้ายๆกันถ้าคล้ายกันไม่เอานะอย่างประคองไว้ครับตอนนี้มันนิ่งกว่าความเป็นจริงรู้สึกไหมมันมีความนิ่งๆ น, นิ่งระดับนี้ <c oughs> นึกออกไหมเออเล่นหลุดออกมาแล้ว เนี่ยตัวจริงอยู่ตรงนี้นะอย่าไปกดไว้อย่างแต่กี้ปล่อยมันออกมาไม่งั้นมันก็เป็นพบพบหนึ่งที่เราเข้าไปสร้างขึ้นมาแล้วแล้วก็ติดอยู่ในพบอันนั้นแล้วก็ไม่เห็นความจริงถ้ า, ถ, าถ้าแบบนั้นนี่คือแสดงว่าคือเราสติเอาอยู่กับลมหายใจแล้วก็คอยสังเกตจิตเปลี่ยนแปลงไปนี่คือแสดงว่าต้องดูด้วยใจเราหนักไห ม, ไหมใจเราเบาหรือใจเราหนักก็จิตที่เป็นกนะนุศลเนี่ยจะเบาใจเราแข็งหรือใจเรานุ่มนวล จิตที่เป็นกุศลนะมีสติมีปัญญาอะไรเนี่ยมันนุ่มนวลจิตนี้หนักหนักแน่นแ่นแข็งแข็งซึมๆมทื่อๆขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช่ของคุณมีนะรู้สึกไหมหนักหนักแน่นแน่นแข็งแขงซึมๆมทื่อๆเนี่ยเพราะเราไม่ได้เรียนบทเรียนที่ชื่อจิตสิกขาเราไม่รู้ว่าจิตชนิดไหนเป็นกุศลจิตชนิดไหนอกุศลจิตชนิดไหนเป็นกุศลที่ใช้ทาความดีต่างๆ จิตชนิดไหนเป็นกุศลที่ใช้ทําสมถะชนิดไหนเป็นกุศลที่ใช้เดินมิปัสสนานะแล้วถ้าเป็นอย่างนี้อีกจะทําไงครับคือลหล่อยมันออกมาให้ได้นะให้รู้ทันเลยถ้าจิตหนักแน่นแข็งซึมทื่อนะแสดงว่าเราต้องจงใจเข้าไปแทรกแสงแล้หยุดเลยสิ่งที่ทําอยู่นะไปหาอะไรทําเขา้าหางานทําเนี่ยจิตเข้าไปล็อกอย่างนี้ใช้ไม่ได้ก็คือคล้ายๆแบบลืมปฏิบัติไปเลยแล้วก็ลื ม, มออกไ ป, <า>ไปแล้วามาเป็นคนธรรมดา ธรรมะเนี่ยเรื่องธรรมดาเลยใช้จิตใจของมนุษย์ธรรมดาอืมครับแล้กอีกคำถามสุดทายครับคำถามสุดท้ายครับคือคือช่วงหลังๆนี้เวลามองเห็นคนเยอะๆนี่คือรู้สึกว่าใจมันจะพากไปเองว่าเออคือเห็นเป็นร่างกายก็จริงแต่ว่าจะดูว่าเขาจะแก่ก็ดูว่าคือถ้าใจมันคิดเองก็ช่างมันแต่อย่าไปช่วยมันคิด ยกเว้นเวลาที่เรามีราคะแรงๆแล้วก็ช่วยมันจิตอันนั้นเป็นสมถะเพื่อข่มราคะนะแต่วิปัสสนาไม่คิดเอาคุณครับหลวงพ่อครับ เ, ออเคยหัดด้วยอาณาปานสติครับแล้วก็หัดพิจารณาทุกขเวทนาก็เป็นที่ไปเข้าคอร์สอะไรกันอย่างเงี้ยห้ามเอ่ยชื่อห้ามอย่าเอ่ยชื่อวันหนึ่งก็ ตอนเช้าตื่นมากนหนวดเรารู้สึกตกใจว่าเราจับจับมันจับอะไรเออนั่นแหละดีมันเป็นแค่รูปนะไม่ใช่เราล้วเป็นก้อนอะไรก้อนหนึ่งไม่ใช่เรามันแวบเดียวแล้วก็เออถ้าหลายแวบแบบของปลอมถ้าแวบเดียวก็ถูกไหมครับแวบเดียวก็อแล้วนะรู้สึกไหมตัวอะไรก็ไม่รู้นตัวอะไรก็ไม่รู้แล้วรู้สึกได้ตลอดไหมเนี่ยสัมผัสทีไรรู้สึกไหมไม่ ไปฝึกแต่เวลาฝึก อ, อย่าให้ใจซึมนะซึมมากไปอแล้ว<ะ>นิดนึครับเอระหว่างวันนี้เราใช้วิธีตามลมหายใจแล้วเรารู้ว่าเราเผลอไปตามลมหายใจแล้วรู้ว่าเผลอไปใช้ได้เวลารู้ลมหายใจเห็นร่างกายหายใจใจเป็นแค่คนดูหายใจไปแล้วเผลอ mm hmm. ไปรู้ว่าเผลอหายใจซิรู้ลมหายใจไปให้หลวงพ่อดูซิหลงไปคิดแล้ว นะให้รู้ทันจิตหลงไปคิดก็รู้ร<อ>ทันตอนยิ่งหลเผลอเข้ไปเออตอนเผลเออข้าไปก็รู้ทันหายใจไปแล้วใจเผลอรู้ใจก็เผลออีกก็รู้อีกนะอะต่อไปมีไหมหมดยังสักการหลวงพ่อครับปฏิบัติมาหกเดือนนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยภาวะมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาค่อนข้างดังๆเนี้ยหลวงพ่อแก่แล้วหูตึบสงการบ้านครั้งแรกนะครับปฏิบัติมาหกเดือนนะครับ ก็ภาวะนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาค่อนข้างบ่อยช่วงนี้น<ด>แล้วก็ยิ่งบ่อยยิ่งดีปิดหนักแล้วก็ติดแน่นพอสมควรมไม่ทราบว่าปฏิบัติถูกหรือยังถ้าหนักแน่นแสนดงว่าบังคับตัวเองอยู่นะ <S 2> <S 2> <ๆ>ให้รู้เล่นๆไปรู้เล่นๆไปนะแห้กระทบอารมณ์ไปแล้วเมื่อความรู้สึกเกิดแล้วก็ค่อยรู้เอาอย่างเนี้ยใจลอยแว บ, บหนึ่งรู้สึกไหมใจลอยไปก็รู้ว่าใจลอยเพ่งอยู่ถ้าเพ่งละมันก็แน่น จิตที่หนักจิตที่แน่นจิตที่แข็งจิตที่ซึมจิตที่ทื่อเป็นอกุศลจิตนะงั้นเราอยากภาวนาแต่เราสร้างอกุศลจิตจิตจะแน่นๆนหนักหนักเครียดเครียดตัวนี้เป็นโทสะมูรจิตหลายคนภาวนานะพอเริ่มภาวนาใจก็เครียดเลยแล้วคิดว่าจะร่วงทุกข์ด้วยความเพียรไปสร้างความเครียดขึ้นมาคือทําจิตให้คุ้นเคยกับโทสะจิตมีอาจินตกรรมที่จะสร้างโทสะเรื่อยๆตายไปจะได้เสวยพบอันสมควร คือตกนรกนะตกนรกตั้งแต่ยังไม่ทันตายแล้ยก็เครียดตั้งแต่ยังไม่ทันตายจนชินอ่ะเพราะงั้นเราไม่บังคับมันนะตามรู้มันรู้อย่างสบายๆรู้สึกไหมใจเรากระสับกระสายนะกระสับกระส่ายดูไปเขากระสับกระสายของเขาเองใจเราเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูเท่านั้นเองนะรู้ด้วยความเป็นกลางไม่ต้องไปกดเพื่อให้เขาหายกระสับกระส่าย จับหลักให้แม่นนะรู้สภาวะทั้งหลายด้วยจิตที่เป็นกลางนะแต่ถ้ามันไม่เป็นกลางขึ้นมาบังคับให้เป็นกลางดีไหมไม่ดนะีมันยินดีขึ้นมาแล้วรู้ทันมันยินร้ายแล้วรู้ทันดีกว่าบังคับให้มันเป็นกลางนะถ้าบางังคับเมื่อไหร่ใจจะแน่นๆน่นเนี่ยเมื่อกี้หลงไปหามันแล้วนะดูอะไรดีวะนะนะนะนะต่อไปตื่นเต้นรู้สึกไหม รู้ e, สึกค <ind> ่ะแล้วทำยังไงดีก็ให้รู้ว่าตื่นเป็นโอ้นี่สอบผ่านเรียกว่าสอบผ่านในภาคปริยัติละค่ะก็ได้ฟังซีดีหลวงพ่อมาสองเดือนนะคะแล้วก็เริ่มตามดูค่ะแล้วก็ไม่เคยส่งคันบ้านนะคะมาพบท่านทางแรกก็ อปกติก็คือจะเป็นจะทํางานอ่ยนะคะแล้วก็จะงานเยอะแล้วก็ช่วงนี้ทำงานคือต้องตื่นตัวตลอดนีนะคะแต่บุญแล้วนะมีงานทําอ่ะค่ะทําให้เวลาที่เราเลิกงานเราเนี่ยคือเรายังหลงไปคิดอน่ยนะคะพอรู้ตัวปุ๊บก็จะอืมคิดคือบอกคุยกับตัวเองอค่ะว่าอ่านรู้แล้วนะว่าไปคิดเรื่องงานนะพอจุดหนึ่งเครียดก็จะอืมรู้แล้วว่าเครียดนะค่ะก็รู้แล้วเป็นกลางไหมค่ะรู้แล้วเป็นกลางไหมคือจะรู้ คือตามที่เข้าใจคิดว่าน่าจะเป็นกลางนะคะเป็นกลางเพราะบังคับไว้หรือมันเป็นกลางเพราะปัญญาอาจจะเป็นกดจิตไหมถ้ากดน้าจิตจะหนักหนักอาจจะมีบางช่วงนะให้รู้ทันนะแต่ว่าดูดูถูกมาถูกทางใช่ไหมคะถูกนะแต่ว่ามันยังบังคับอยู่ค่ะอย่างนี้คือหนูนี่เหมาะที่จะดูทางการดูจิตไปเลยได้ดูได้ก็ดูไปเลย วันไหนดูจิตไม่ออกก็มาดูกายจำไว้นะวันไหนดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทําสมถะไว้จะมาดูท้องฟองยุบจะมารู้ลมหายใจอะไรเหมือนกันหมดแล้วแต่ถนัดอีกนิดนึงได้ไหมคะคือปกติเวลาที่อ่าใจเราจิตเราไหลไปทางตาอย่างเงี้ยค่ะไปดูคนอื่นๆเรามักจะบางทีก็ไปปรุงแต่งว่าเอ๊ะเขากําลังคิดอย่างนี้แน่เลยอย่างเงี้ยค่ะเอเราก็จะรู้คือก็พอจุดนึงค่ะก็จะรู้ว่าเออเรากําลังคิด ไปที่เขานะแล้วก็จิตกาลังปงแต่งคือบอกตัวเองนี้ก็คือถูกใช่ไหมคะไม่ถูกอะแต่ว่ามันอดบอกไม่ได้ <c oughs> ที่จริงไม่ต้องพูด<อ>แต่ว่าจิตมันเคยชินที่จะพูดต้องฝึกหลายปีเลยกว่าจะรู้โดยไม่พูดอ่ะอืมค่ะนะรู้แล้วไม่คิดนะคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้นะงั้นเรานั่งคิดไปเรื่อยไม่ใช่อนะแต่เบื้องต้นมันต้องคิดก่อนอ๋อค่ะก็คือถือเป็นจุดเริ่มต้นนะ ฝึกนานนะกกว่าจิต<ค><น>จะรู้โดยไม่คิดเนะ<ค>นี่ยรู้แล้วจบลงที่รู้ไม่ปรุงต่อค่ะ<น>ขอบคุณค่ะมรร ก, การค่ะออบางครั้งรู้สึกสับสนว่าปฏิบัติแนวทางไหนจะเหมาะกับตัวเองอเหมาะกับจริตของเโดยนิสัยนะโดยจริตเนี่ยนะขี้โมโหโดยธรรมชาติของเราขี้โมโห เราต้องทํากรรมฐานที่มันมีความสุขหน่อยทําสมรมฐานที่สบายๆที่ผ่อนคลายนะใจก็จะสงบแล้วก็เป็นคนช่างคิดช่างคิดเนี่ยต้องดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆเวลาเราคิดนะจิตจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเป็นคนช่างคิดรู้สึกไหมเออเป็นเอตทัคคะทางคิดนะเพรานั้นพอใจมันคิดไปมีความสุขรู้ทันพอมันคิดไปมีความทุกข์คอยรู้ทัน คิดไปแล้วโลภคิดไปแล้วโกรธคิดไปแล้วหลงคิดไปแล้วฟุ้งซ่านคิดไปแล้วหดหู่ค่อยตามรู้ไปเรื่อยๆอย่าเพ่งให้นิ่งนนี้กดไปละอย่า ก, กดไว้ปล่อยมันไปเที่ยวสังเกตมันรู้ไหมอย่าเที่ยวสังเกตมันแค่รู้สึกนะให้ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยรู้เอาถ้าจะดูจิตนะกดข้อที่หนึ่งนะให้ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยรู้เอา อย่าไปดักดูอย่าไปรอดูถ้าไปดักดูไปรอดูเนี่ยตัณหามันนําไปแล้วอยากดูมันเกิดขึ้นไปก่อนแล้วนะไม่ต้องอยากดูหรอกให้ความรู้สึกมันเกิดขึ้นมาถ้ามันแรงพอนะมันก็จะเห็นนะงั้นไม่หนึ่งกดข้อที่หนึ่งไม่ดักดูข้อที่สองระหว่างดูนะไม่ถลําลงไปจ้องดูเหมือนคนวงนอกดูเหมือนเห็นคนอื่นดูสบายๆข้อที่สามดูแล้วไม่ทําอะไรไม่แทรกแสงดูเฉยๆดูแล้วจบลงไปเลย ไม่ทำอะไรต่องงมากกว่าเก่าอีกเว้นรู้สึกว่ายังทำไม่ค่อยได้งงงงรู้ว่างงนี่เรืออย่างนี้นะทำไมงงรู้ว่างงหลายคนงงนะหลายคนก็สงสัยหลวงพ่อบอกสงสัยให้รู้ว่าสงสัยเแล้วมันจะรู้เหรอนะเราเรียนกรรมฐานเนี่ยนะเรียนเพื่อให้เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดา เพาน้ความสงสัยเกิดขึ้นเป็นธรรมดาคิดอยู่ก็สงสัยได้สงสัยเกิดขึ้นมาแล้วความสงสัยก็ดับไปเราเรียนกรรมฐานเพื่อให้เห็นแค่นี้เองว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปถ้าเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปนะทั้งกายทั้งใจก็จะเห็นไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรนี่จะเป็นพระโสดา บ, บันไดงั้นความสงสัยเกิดขึ้นรู้ว่าสงสัย นะพอเรารู้ทันนะไม่ไปคิดต่อนะเดี๋ยวความสงสัยก็หายไปแล้วก็เห็นความสงสัยเกิดแล้วก็ดับเช่นเดียวกับสภาวะอย่างอื่นๆนะไปเรียนอย่างนี้นะอย่าคิดเดยอะคิดมากไปอ้าต่อไปลกคนนี้ม า, า, มา ค, คนนิงมากคระจะขอส่งการบ้านครั้งแรกนะครับได้ไปถามท่านที่ส่วนผลิตธรรมเมื่อสี่เดือนที่แล้วเราท่านก็ได้เมตตาบอก ชี้ตอนที่คิดอยู่ว่าจิตหลงนะครับอืจากนั้นก็ก็เริ่มเริ่มหัดดูใจก่อนสมัยก่อนนั้นก็เคยฝึกพองยุบมาก่อนนะครับแล้วในช่วงสีเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ก็เห็นเห็นความเปลี่ยนแปลงมากแล้วก็บ่อยตลอดเวลาครับมีมีทั้งรู้มากแล้วก็รู้น้อยมีมีครั้งหนึ่งที่ก็เหมือนกับเบื่อขึ้นมาแล้วก็รู้สึกเศร้าว่ากายกับใจมันบังคับไม่ได้มันไม่ใช่ของเรานะดูไปอีกครับแล้ว แล้วแต่ว่ามันก็จะมีอาการพาคด้วยแล้วก็พอรู้ก็จะคิดต่ อ, อห้ามไม่ได้ครับครับก็แต่มันก็จะคือบางบางทีก็จะเหมือนกับไม่สงสัยแต่ก็สงสัยสงสัยแล้วรู้ว่าสงสัยแมันก็หมุนเวียนต่อยไปเรื่อยๆครับเราต้องการแค่นั้นเองต้องการให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดั บ, ต, บต้องการแค่นั้นนะครั บ, รบเพราะว่าอย่างบางวันบางทีย้อนกลับไปว่าบางทีรู้ขึ้นมามันตกใจว่าวันนี้เราแทบจะไม่ได้รู้สึกตัวเลยแล้วพอยิ่งมองย้อนกลับไปแม่ก็จะเกิดความกลัวขึ้นมาเพราะว่า เหมือนกับนั่งรถไฟเหาะมันมีทั้งดีมากๆกแล้วก็แย่มากๆแต่ว่ามันก็หมนคือหมุนเวียนอยู่แค่นี้ครับนั่นแหละการภาวนาเนี่ยนะไม่มีใครหรอกที่ภาวนาแล้วเจริญอย่างเดียวจิตมีธรรมชาติเจริญแล้วก็เสื่อมนะนี่เราเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกเห็นที่แรกยอมรับไม่ได้เราอยากได้เจริญเราไม่เอาเสื่อมเหมือนอยากเกิดแล้วไม่อยากตายอยากสุขแล้วไม่อยากให้มีความทุกข์อยากรวยอย่างเดียวไม่อยากจ่ายสตังค์นะเอย่างเนี้ยไม่ได้หรอกนะ ได้มาแล้วก็เสียไปงั้นจิตมีธรรมชาติเจริญแล้วเสื่อมหน้าที่ของผู้ปฏิบัติเนี่ยตามรู้ไปพอเขาเจริญเราหลงดีใจเรารู้ทันต่อมามันเสื่อมไปเสียใจเราก็รู้อีกในส่วนเราเห็นนะเจริญได้ก็เสื่อมได้เจริญได้ก็เสื่อมได้เห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้าแล้วซ้ำอีกถึงจุดหนึ่งจิตจะเป็นกลางต่อความเจริญและความเสื่อมเพราะมีปัญญารู้ความจริงว่าทุกอย่างอยู่ชั่วคราวภาวนาเพื่อให้ให้มาสู่จุดนี้ไม่ใช่ภาวนาเพื่อเอาความเจริญ เราไม่ได้เอาเจริญไม่ได้ภาวนาเอาสุขไม่ได้ภาวนาเอาดีแต่ภาวนาให้เห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปอย่างตอนนี้จิตมีปิติทราบไหมครับจิตมีปิติก็รู้ว่ามีปิตินะเห็นไหมปิติก็ลดลงแล้วเห็นไหมเนี่ยดูอย่างนี้แหละดีภาวนาเก่งขอบคุณครับอย่างนี้ยั ง, ย, งยังต้องคือกลัวว่าถ้าไม่พยายามรู้เดี๋ยวมันจะเสื่อมไปมากกว่า น, นี้เพราะบางวันที่ลงคลงเ้อเบื้องอ <ๆ S 1> ต้นนะต้องพยายามไว้ก่อน เบื้องต้นก่อนที่จะเจริญสติในชีวิตประจำวันด้วยสติอัตโนมัติได้เนี่ยต้องตั้งใจดูหน่อยแต่ถ้าตั้งใจดูจนเครียดเนี่ยให้รู้ทันเนาะค่อยๆ ค, ค, คลายดูสบายๆไปแต่เบื้องต้ น, นต้องจงใจไว้ก่อนพรคุณหลวงพ่อครับไม่ไม่จงใจเลยหมามันก็บรรลุ ด, ด้วยเนาะหมาก็ไม่ได้ทำอะไรวั น, ว, นวันหนึ่ง นำมัสการครับหลวงพ่อครับเขาส่งกันบ้านนะครับเคยไปพบหลวงพ่อที่ส่วนสันติธรรมหลวงพ่อบอกว่าจิตยังกดอยู่ยังบังคับอยู่แล้วให้มาแก้ไขไม่ทราบว่าตอนนี้ดูไหมดูออกั้ยจิตมันไม่เหมือนเดิมดมันเบากว่าแต่ก่อนดูออกั้มคิดว่าว่าเตาได้บ้างดีทีนี้ในบางจุดเนี่ยฮะเมื่อสักครู่ที่หลวงพ่อพูดถึงเรื่องของอความเจริญและความเสื่อม ของผมมาถึงในจุดที่ว่ามันเสื่อมนานมากเลยแล้วจะแก้ยังไงต่อเพราะอะไรทําไมเสื่อมนานเกินไปมันฟุ้งซ่านแต่ก็รู้ว่าฟุ้งซ่านแล้วก็อยากให้หายฟุ้งซ่านนั่นแหละปัญหาอยู่ตรงที่ไม่ยอมรับไงอยากให้ดีใ น, นเวลาเราภาวนานะภาวนาไปทุกวันทุกวันเนี่ยจเจริญแล้วมันเสื่อมเพรอใจเรายอมรับความเสื่อมไม่ได้ใจจะยิ่งดินน้นรนใจยิ่งดิ้นรนนะใจไม่สงบใจไม่ตั้งมั่นไม่มาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นก็เสื่อมนาน แต่ถ้าเราเห็นความเสื่อมด้วยใจที่เป็นกลางนะจะเจริญในฉับพลันนั้นเลยปัญหาอยู่ตรงที่ไม่เป็นกลางแล้วตอนดูดูจิตฮนะที่เวลาอกุศลจิตเกิดเนี่ยบางช่วงมันจะหายไปเลยเร<อ>าทันแต่บางช่วงเนี่ยมันก็ยังเกิดอยู่แล้วเราก็ดูอยู่ตรงนั้นก็เห็นมันยังมีอยู่นะ อย่างสัยเราเห็นหน้าคนนี้เราเกลียดเนะี่ยยังเห็นอยู่เรื่อยๆนะมันก็ปลุงความเกลียดขึ้นมาเป็นขณะขณะได้เราควรจะเปลี่ยนอิริยาบถแล้วไปอยู่ในอิริยาบถ ท, ที่เปลี่ยนแล้วทำให้อคุสนจิตนั้นถ้าสู้ไม่ไหวก็เปลี่ยนไปก่อนนะแต่ถ้าตามรู้ตามดูด้วยจิตที่เป็นกลางได้ดูเข้าไปเลยแสดงว่าสติที่เกิดเป็นช่วงเป็นช่วงนะี่ถูกต้องกว่าที่จะเกิดอยา่ยางต่อเนืนองขณะ น, น, นะสติเกิดเป็นขณะขณะไม่ใช่เกิดยาวๆ แล้วอย่างอยผมที่หลวงพ่อให้ไปฝึกแก้ไขมาตอนนี้ถือว่าก้ไขขึ้นแล้วะแล้วถือว่าตื่นและตั้งมั่นแล้วบ้างอะไรนะมีความตื่นและตั้งมั่นอยู่บ้างแล้วไหมครับไม่ค่อยได้ยินคําถามเนี่ยมีความตื่นและตั้งมั่นอยู่บ้างครับเกรงใจจังเลยครับอย่างนั้นอย่างนั้นภาพอย่างนั้นควรจะดูกายเลยดูจิตดีดูจิตได้ดีขึ้นเยอะแล้วนะดีขึ้นเยอะแล้วจิดมันตื่นแล้วละมันก็ตื่นแต่ตอนเนี้ยมันไม่ตั้งมั่นมันตื่นเต้น รู้สึกไหมมันมันรู้สึกตัวได้เป็นขณะขณะนะดีนะที่ภาวนาอยู่ดีไปทำอีกนะอดทนเอาบางคนนะชอบมาถามหลวงพ่อจิตหนูเป็นยังไงคะโอ้เกรงใจจังกล <laughs> <laughs> ัววันนีดีฝ่อ <laughs> ส่วนบางคนดีแล้วนะมาถามจิตผมเป็นไงถ้าเราบอกว่าดีเมื่อไหร่นะเสียเลยอยากให้ดีทุกวัน บางทีถามดีหรือยังอะไรเนะั้นพูดยากนะไม่ค่อยอยากบอกถ้าบอกว่าดีแล้วนะก็จะไปรักษาแชมป์เอรักษาแชมป์เมื่อไห ร, นะไร่นะคว่ำทุกรายเลยะเพราะอะไรเพราะมันของเจริญแล้วเสื่อมนะมันเลยสนใจคําว่าดีเลยแค่ว่าสติมันมีไหมสติเกิดไหมนะถ้าถามว่าจิตดีไหมลําบากเพราะบางคนมันไม่ดีเราพูดไม่ได้นะเดี๋ยวมันต่อยเรา <c oughs> <c oughs> บางคนดีเราก็บอกไม่ได้เดี๋ยวเสียนะ ริงแชมป์โลกนะสนุกกว่าป้องกันแชมป์นะนึกออกไหมป้องกันแชมป์ในวันหนึ่งต้องสูญเสียจริงแชมป์โลกในะวันหนึ่งอาจจะได้เวลาเราภาวนาเราไม่ได้คาดหวังนะเราก็ภาวนาไปเรื่อยวันหนึ่งอาจจะได้ได้มักได้ผลอนะไรเงี้ยแต่พอเราครูบาจารย์ชมว่าภาวนาดีนะเกรงนะอนะไเนะี้ยเกรงแล้วเสียเลยเพราะงั้นอย่าไปกังวลตัวนี้นะเอา กลับนมสัส ก, การหลวงพ่อนะคะเพิ่งมากราบแล้วก็ได้พบหลวงพ่อเป็นครั้งแรกก็ได้ฟังซีดีแล้วก็ปฏิบัติตามหลวงพ่อมาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะคะก็เออก็ทำตามมาเรื่อยๆะคะ่ะมันก็จะมีบางครั้งบางที่แบบอาบน้ำแปลงฝันลุลๆไปแล้วมันก็แบบนี่มันใครเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะแล้วไม่ใช่อัลไซเมอร์นะ <laughs> แต่ว่ามันก็แป๊บเดียวนะคะค่นแล้วมันก็ผ่าไม่ใช่<ป>เราเหรอก มันก็อะไรไม่รู้ค่ะมันก็เป็นอย่างนั้นไปแต่ก็มไม่ได้ไปอะไรกับมันมากมายแต่ว่าสภาวะที่อยากขอส่งหลวงพ่อคือจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะก็คือว่าเมันก็เป็นธรรมะอันเดิมที่หลวงพ่อเคยพูดเพราะว่าก็ฟังซีดีหลวงพ่อก็จะพูดในสิ่งเดิมทีนี้มันไม่เหมือนเดิมตรงที่บางครั้งมีสองอย่างก็คือว่าบางครั้งที่ฟังหรือบางครั้งที่รู้ไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีมันจะรู้สึกแบบ อย่างเมื่อกี้ก็เป็นเยอะก็คืออย่างเช่นหลวงพ่อพูดถึงว่ า, วาช่วข่าวคือมันจะสะเทือนแป๊บมาในใจแล้วทีนี้แรกๆเนี่ยคือตกใจแต่ว่าพอมาช่วงหลังอีกคือหลังจากสะเทือนใจแล้วคือแม่ไม่รู้จะอธิบายเป็นคําพูดว่าอะไรหลังจากที่สะเทือนใจแล้วค่ะช่วงหลังมันจะมีอีกสภาวะหนึ่งเกิดขึ้นก็คือว่าเหมือนมันเป็นแรงดันที่แบบ ดันออกมาแต่ไม่รู้จักที่ว่ายาอะไรไม่เป็นไรนะมันกระทือนขึ้นมาให้รู้มันมีแรงผลักขึ้นมาให้รู้รู้อย่างที่มันเป็นค่ะแล้วก็คือว่าช่วงแรกๆที่มันเกิดแบบเนี้ยก็จะตกใจจะตามไม่ทันแล้วพอต่อมามันก็จะเป็นอีกความรู้สึกว่าไม่ชอบก็รู้ว่าไม่ชอบพอมันใกล้ๆจะเริ่เกิดอีกก็เดี๋ยวมันจะเกิดอีกแล้วไม่ชอบแล้วบางทีก็สงสัยว่ามันเป็นอะไรจนมันเหนื่อยสังเกตไหมว่าจิตมันทํางานของมันได้เองค่ะ เราภาวนาแทบเป็นแทบตายนะไม่ใช่เพื่อความฉลาดรอบรู้อะไรหรอกแต่เราภาวนาจนเห็นร่ากายนั้นมันไม่ใช่เราจิตมันไม่ใช่เราจิตมันทํางานของมันได้เองดูออกไหมดูไปอย่างนั้นแหละคคือก็ไม่ผิดอะไรใช่ไหมไม่ผิดอะไรแต่บางทีคือแบบไม่ชอบไม่อยากให้มันกิไม่ชอบก็ไม่เป็นกลางให้รู้ว่าไม่ชอบนะบางทีก็แบบเออช่ามันเถอดยังไังมใจอยากพูดค่ะอให้รู้ทันว่าใจอยากพูดนะเนื้อรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆไม่มีอะไรหรอกง่ายค่ะ ออขออีก <c oughs> คือนิดเดียวค่ะก็ ค, ะ ค, ะคือว่าวันนี้ได้พาคุณพอ่ณพอคุณแม่มาเป็นครั้งแรกแล้วท่านก็อายุมากแล้วก็ไม่ค่อยสบายก็อยากให้หลวพ่อได้โปรดเมตตาให้ทำมาไหนล่ ะ, ละพ่อแม่ยกมือให้ดูหน่อยพ่อแม่นี้เป็นไหนนอนอยู่ตรงโน้นนะคะแต่ก็ได้เอาซีดีให้ท่านฟังอเอาซีดีให้หลวงพ่อของเราพ่อไปให้ฟังนะแล้วให้ดูความรู้สึกแต่ โยมสองคนรู้สึกไหมลูกของเราเนี่ยแต่ละวันน่ารักไม่เท่ากันใช่ค่ะนี่แม่พยักหน้าเลยเนหะ็นไหยใช่ค่ะเพราะงั้นเราคอยรู้ทันใจของเราได้เลยนะวันนี้หน้าหยิกรู้ว่าอยากหยิกแล้ววันนี้อยากกอดเลยเนี่อรู้ว่าอยากกอดแล้วรู้ทันใจของเราไปได้ๆนะของพ่ อ, อยังคิดเก่งฟังไปบ่อยๆขอบพระคุณค่ ะ, ะค่ะการนมันส ก, การหลวงพ่อทุกค่ะโยมปฏิบัติ ทำในแนวพองยุบหนอนะคะพองหนอยุบหนอมันนานนะคะพองยุบสี่ไม่ใช่พองหนอยุบหนอเจ <laughs> ้ค่ะออพอมาฟังหลวงพ่อสอนแล้ว ก, <c oughs> ก็ซีดีก็รู้สึกชอบนะคะแล้วก็อยากปฏิบัติเพื่อเป็นการต่อยอดนะคะที น, นี้โยมควรจะทํายังไงเริ่มปฏิบัติอย่างไรนะคะโยม <ไป S 2> ยดูไปสินะร่างกายที่มันพองยุคเนี่ยนะเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตมันอยู่ต่างหากนะจิตมันเป็นแค่คนดูแต่ว่าระวังอย่าไปเพ่งใส่ท้อง ถ้าเราเพ่งเมื่อไหร่ใจจะนิ่งๆใจ จ, ๆใจจะแน่นๆใจจะแข็งๆถ้านิ่งๆแน่นๆแข็งๆขึ้นมานะเลิกก่อนแสดงว่าเพ่งไว ม, มากไปยังติดเพ่งอยู่หมนะแค่เห็นร่างกายไปยักหน้ารู้สึกไหมค่ะนะใจติดเพ่งอ่ะยังติดอยู่นะ<ใ>นค่อยๆคลายออกแล้วดูไปตามธรรมชาตินะไปหางานบ้านทำนํำนากวาดบ้านถู<ด>บ้านเลยนะเคลื่อนไหวไปแล้วก็เห็นร่างกายมันทํางานไปใจเป็นคนดูดูไปสบายๆ พอใจมันเผลอไปที่อื่นลืมไปละลืมลืมร่างกายแล้วมันหลงไปคิดก็รู้ทันว่าจิตหลงไปคิดแล้วนะฝึกอย่างนี้นะมันต่อยอดได้หรอกกรรมฐานอะไรก็ดีเท่านั้นแหละติดเพ่งไปหน่อยกลาบมาวัดเรืการหลวงพ่อนะครับพอดีมาจากสงกรานต์นะครับแล้วก็ใช้วิธีฟังซีดีของหลวงพ่อนะครับใช้วิธีการดูลมลมหายใจนะครับอันนี้ปรากฏว่าตอนที่ดูเนี่ย บางครั้งจะมีความรู้สึกเหมือนสดชื่นขึ้นมาที่ที่ที่หน้า อ, อกนะครับแล้วพอสักรูนึงมันก็จะเคลื่อนขึ้นไปอยู่ที่จมกูกอืก็เลยไม่แน่ใจว่าปฏิบัติแล้วถูกหรือเปล่าก็ใช้ได้นะก็เห็นไปสิ่งใดเกิดขึ้นนะให้ศักว่ารู้ว่าเห็นไปให้รู้อยู่ในกายรู้อยู่ในใจอย่าให้เกินนี้ออกไปก็แล้วกันครับแ ล, และต้องใช้วิธีผมอย่างต้องใช้วิธีตามรู้กายรู้ใจอย่างนี้ต้องไม่ใช่ตามไปตรงโน้นตรงนี้นะ ก็ธรรมดาใช้ชีวิตธรรมดาเนี่ยตามมองเห็นความรู้สึกมันอะไรเกิดขึ้นรู้ทันหูได้ยินเสียงความรู้สึกเกิดขึ้นรู้ทันใจคิดความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้ทั น, นรู้อย่างนี้บ่อยๆนะถ้าไม่ดูจิตก็เห็นร่างกายนี่หายใจใจเป็นคนดูฝึกไปอย่างเนี้ยกลาวนะมาสการอาจารย์ค่ะเอ อ, เ อ, อช่วงนี้จะโกรธบ่อยนะค่ะแต่เวลาโกรธแล้วมันโกรธแรงๆแล้วทําจิตเป็นกลางไม่เป็นนะคะไม่ทําไม่ทํา เราไม่ได้ฝึกทําจิตเป็นอย่างนั้นทําจิตเป็นอย่างนี้สังเกตไหมจิตจะโกรธเราห้ามไม่ได้ค่ะนะแต่ถือศีลไว้ก่อนนะเวลากโกรธใครก็ได้นะให้ใจมันโกรธไปเรามีสติตามรู้แต่เรามีศีลเราไม่ไปด่าเขาเราไม่ไปตีเขาไม่ไปฆ่าเขาน ะ, ะทางกายทางวาจาเนี่ยควบคุมไม่ให้ผิดศีลส่วนทางใจมันโกรธขึ้นมามีสติตามดูมันไปดูเหมือนเห็นคนอื่นโกรธดูอย่างนี้ ้เจาค่ะดูมันดูคนอื่นอ่ะอ๋อแต่บางทีมันมันมันแรงแล้วมันพุ่งขึ้นมาเหมือนตัวตนมันเยอะมากแล้วมันมันห้ามไม่ได้ไม่ห้ามนะตามดูมันไปตามดูมันไปมันโกรธอยู่ในใจเราไม่เป็นไรหรอกอย่าไปว่าเขาอย่าไปตีเขาก็แล้วกันค่ะเจ้าค่ะทางใจเนี่ยไม่เก็บโกรธทางใจตามรู้อย่างที่เขาเป็นแต่ทางกายทางวาจานะรักษาศีลห้าไว้เจ้าค่ะอ่าต่อไปอาจารย์ขออีกอย่างนึงค่ะ คืออย่างโยมควรจะดูกายหรือจะดูจิตดีกว่าครับัวอะไรก็ได้นะมันผสมผสานดูได้สองอย่างค่ะเจ้านวัฒ ก, การหลวงพ่อครับอ่าคือปัจจุบันผมปฏิบัติตามแนวหลวงพ่อป๋ามดูด้วยแล้วก็หลวงพ่อเทียนนะครับก็คิดว่าเริ่มมีสติ ข, ขึ้นมาบ้างแล้วครับอย่างบางทีอย่างบางทีนอนตอนกลางคืนเงี้ยอก็เห็นว่าอ๋อเราอยากนอนนะแต่ว่าอยู่ๆจิตมันก็ไปคิดฟุ้งซ่านเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาเองอยู่ๆก็ ไปคิดถึงอนาคตบ้างคิดถึงอดีตบ้างอืมครับแต่ปัญหาที่รู้สึกตอนนี้ก็คือว่ารู้สึกว่าเริ่มเริ่มมีสติแต่ว่ามันยังไม่มันยังไม่ตั้งมั่นนะครับไม่ไป็นไรให้รู้ไปด้วยไม่ตั้งมัน่นรู้ว่าไม่ตั้งมัน่นนะอย่าบังคับให้ตั้งถ้าบังคับแล้วใจจะเครียดครับถ้าตอนนั้นเราเครียดผิดละมีนิดนึงครับพอดีมีพระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านสอนว่าเวลาเรามองเห็นภาพมองมองภาพเนี้ยก็ให้กลับมาดูความรู้สึก ได้ยินเสียง<ม>ก็กลับมาดู<ม>ความรู้สึก<ม>แต่ยังไม่แน่ใจว่าที่ทำอยู่ปัจจุบันนี้ถูกหรือยังระวังอันเดียวนะอย่าจงใจกลับมาดูถ้าจงใจกลับมาดูจะไม่มีความรู้สึกให้ดูมันจะนิ่งไปหมดเลยนะดังนั้นตรงที่ความรู้สึกเกิดให้มีสติมันไประลึก ข, ของมันเองถ้าจงใจย้อนมาดูมันจะกลายเป็นการมาเพ่ง ม, มาดักดูมาคอยดูมารอดูมันจะนิ่งไม่มีอะไรให้ดูหรอก แล้วมีอะไรแนะนำในการปฏิบัแล้วนะโอเคออครับ ข, ขอบคุณครับไม่ใช่จงใจนะคือถ้ายัางเจือด้วยความจงใจมีโลภเจตนาโลภเจตนาเป็นเจตนาทางใจเรียกมโนสัญญาเจตนาทำให้เกิดการกระทากรรมกรรมอะไรกรรมตัวนี้ก็คือเราไปเพ่งจิตให้นิง่งกลายเป็นนิ่งไปหมดรู้สึกไหมถ้าจงใจมาดูแล้วมันจะนิ่ง นั่นแหละเลิกซะไม่ถูกหรอกที่ทำอยู่ก็โอเคนะครับก็ดูไกลดูใจในปัจจุบันไม่โอเคสิตรงแต่ไปเพ่งให้นิ่งเนี่ยตอนนี้เพ่งนะ ค, ครับตอนเพ่งให้นิ่งไนะ <c oughs> <c oughs> ม่โอเคนะเพราะขึ้นเขานมัสการโอ้ดีภานาตื่นเต้นค่ะดูออกไหมร่างกายมันเหมือนอยู่ห่างๆค่ะนะดูเออยังไม่ได้ถามแนละ้เอาว่าไปก่อนเราจะรีบตัวจกันบ้านปฏิบัติมาได้ระยะหนึ่งแล้วคะ่ะปีกว่าแนละ้วค่ะ ก็พอจะรู้สภาวะเห็นเกิดดับได้แต่ว่ายังไม่ตั้งมั่นแล้วก็ยังไม่เป็นกลางเออนั่นแหละดูไปหน้าแต่ว่าช่วงนี้คือมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งคือเกิดเวทนาทางกายค่ะแล้วก็เขาก็ลงมาที่ที่ททใจก็เกิดแรงแบบเกิดดับเกิดดับแบบแรงมากจนแบบทนไม่ไหวใจเราไม่เป็นกลางเวทนาเกิดที่กายนะแต่ใจมันไปกลุ่ม แล้วก็ไปโรงพยาบาลเอ้ยต้องไปโรงพยาบาลถูกแล้ว <c oughs> เป็นมากๆากน ะ, ะแล้วก็เกิดไปหายกลางทางอ่ะแบบโลง่งสว่างเบาสบายแล้วก็กลับมาเป็นอย่างนั้นอยู่อีกหลายครั้งเลยคนะ่ะดูไปด้วยความเป็นกลางนะ <c oughs> ดูไปอย่างเป็นกลางเป็นอะไรก็ได้จะตายก็ไม่ว่านะรู้ไปด้วยความเป็นกลางลูปเดียวเลยแล้วที่เขาเกิดสว่างเบาสบายขึ้นมาตอน ที่ยังเฉบเฉบนะคะนั่นแหละพรใจมันตั้งมั่นขึ้นมาออกตั้งมั่นขึ้นเอีกนะพอเรารู้รู้ด้วยความเป็นกลางนะใจก็โล่งว่างสว่างขึ้นมาพอใจเรามีพลังขึ้นมานะบางทีร่างกายหายป่วยได้นะก็คือความเจ็บเขาก็ยังอยู่ของเขาใช่แต่ว่าร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความเจ็บอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งชนั่นแหละขันมันแยกออกจากเดิมที่หลวงพ่อเทศตะกี้เนี่ยเขาขันมันแยกออกไปเราจะเห็นร่างกายก็ไม่ใช่ดราอยู่ห่าง ความเจ็บก็อยู่ห่างๆนะเขาก็มีของเขาอยู่เขาก็มีของเขาอยู่นั่นแหละภาวนาถูกแล้วไปทําอีกนี่คนนี้ภาวนาดีนะขันมันแยกออกไปค่ะกลับนักสการ์หลวงพ่อค่ะก็เมื่อกี้จองที่หลวงพ่อเทศอยู่นะคะกอบไก่คอนคู่แล้วก็คอนคู่กลับมากอไก่สจิตหลงไปค่ะหลงก็ไปถึงหน้าประตูลุกว่าไปไกลแล้วดึงกลับมาที่จุดเดิมแสดงว่าหลงไปชั่วโมงหนึ่งกาลับมาชิวสึกว่าเริ่มเพ่งเพ่งก็สึกว่าเริ่มอึดอัด อ๋อสักพักก็พอที่หลวงพอ่อเทศว่าเราพยักหน้าสุดเราผ่อนคลายแล้วก็ผ่อนคลายแล้วแต่ว่าช่วงเพ่งนี่ค่ะคือปัญหาเวลานั่งทําสมาธิค่ะสึกว่าจิตจะไม่ค่อยสงบงก็แพทย์พยายามคิดว่ามีลูกแก้วอที่มือพยายามให้ลอยจุดถึงหน้าผากแล้วถึกว่าสงบขึ้นรม่ทราบว่าที่ทําเนี่ยถูกหรือผิดคะยอยากให้หลวงพ่อแน่นำ้ำถู ก, ถกสมถนะนะหลักของสมถะเนี่ยให้เรารู้อารมณ์อันเดียวอย่างสบายสบายไป รู้อย่างต่อเนื่องแต่รู้อย่างสบายค <Okay. S 2> อย่างบางคนพูดโธแล้วมีความสุขพอมีความสุขเนื่องความสุขเป็นเหตุใกล่ให้เกิดความสงบนะ <Okay. S 2> บางคนหายใจแล้วมีความสุขหายใจไปเรื่อยๆจิตก็สงบบางคนดูท้องพองยุบแล้วมีความสุขจิตก็สงบได้สมถะได้สมถะใช่ก็ดีพอควรมักน้อยจน <laughs> ชาตินี้เอาแต่สมถะออ <laughs> ต้องทําวิปัสสนาค <laughs> สมถเอาไว้ชาติไหนไม่เจอศาสนาพุทธแล้วค่อหัดต่อค่ะนะวิปัสสน า, นามาคอยดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานดูอย่างนี้เรื่ด้ๆค่ ะ, ะ<อ>คนคสุดท้ายมีแมกหมดหรือ ย, ยังเวลาละนะโอ้ตรงเวลาเป๊ะเลยสามโมง